ทวดาติงสาการในกุท ธ, ธกะปาถะในกายนี้มีผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกเยื่อในกระดูก ม, ม้ามหัวใจตับพังผืดไตปอดไส่ใหญ่ไส่น้อยอาหารใหม่อาหารเก่าดีเสเลตหนองเลือดเหงื่อมันข้น น้ำตาเปเลวมันน้ำลายน้ำมูกไขข้อมูดเยื่อมันสมองในสมองพันนาทวัติงสาการพันนาการสัมพันธ์แห่งบทกรรมฐานคือกายาตาสตินี้ใดที่พวกเดียร์ถีทั้งปวงไม่เคยให้เป็นไปแล้วนอกพุทธการ เพื่อความบริสุทธิ์แห่งอาศัยญาณสละเพื่อจิตตภาวนาของกุลบุตรผู้มีประโยคอันบริสุทธิ์ด้วยสิกขาบทสิบอย่างนี้ผู้ดำรงอยู่ในศีลพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงสรรเสริญไว้โดยอาการเป็นอันมากในพระสูตรนั้นๆอย่างนี้ว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายธรรมะอย่างหนึ่งภิกษุเจริญทาให้มากแล้ว เป็นไปเพื่อสังเวคาใหญ่คือความสลดใจเป็นไปเพื่ออัฏถะใหญ่คือประโยชน์เป็นไปเพื่อโยคะเขมะใหญ่คือความเกษมจากโยคะเป็นไปเพื่อสติสัมปชัญญะใหญ่คือความระลึกรู้ตัวเป็นไปเพื่อได้ยาณทัศนะคือความรู้เห็นเป็นไปเพื่อทิฏฐธรรมะสุขวิหาร คืออยู่เป็นสุขในปัจจุบันเป็นไปเพื่อทำให้แจ้งวิชาวิมุตติและผลธรรมอย่างหนึ่งคือกายาคตาสติดูก่อนภิกษุทั้งหลายภิกษุเหล่าใดไม่บริโภคกายาคตาสติภิกษุเหล่านั้นชื่อว่าไม่บริโภคอมตะภิกษุเหล่าใดบริโภคกายาคตาสติภิกษุเหล่านั้น ชื่อว่าบริโภคอมตะภิกษุเหล่าใดไม่บริโภคกายคตาสติชื่อว่าไม่ได้บริโภคอมตะภิกษุที่บริโภคกายคตาสติชื่อว่าได้บริโภคอมตะภิกษุที่เสื่อมกายคตาสติชื่อว่าเสื่อมอมตะภิกษุที่ไม่เสื่อมกายคตาสติชื่อว่าไม่เสื่อมอมตะ ภิกษุที่พลาดกายคตาสติชื่อว่าพลาดอมตะภิกษุที่สำเร็จกายคตาสติชื่อว่าสำเร็จอมตะดังนี้แล้วทรงแสดงไว้เป็นปับพระสิบสี่ปับพระคืออานาปานะปับพระอิริยาบถะปับพะจตุสัมปะชัญญะปับพระปฏิกูลมณสิการะปับพระ ทาตุมนาสิการับปัปพะสีวติกาปัปพะก้าวปัปพะโดยนัยยะว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายกายคตาสติอันภิกษุเจริญอย่างไรทําให้มากอย่างไรจึงมีผลมากมีอนิสง์มากดูก่อนภิกษุทั้งหลายภิกษุในธรรมวินัยนี้ไปป่าก็ดีดังนี้เป็นต้น บทนี้นิเทศแห่งการเจริญกายคตาสติกรรมฐานนั้นมาถึงตามลาดับแล้วในนิเทศนั้นข้าพเจ้ากล่าวเป็นวิปัสนาไว้สามปับพะนี้คืออิริยาปัทปัพพะจตุสัมปัญญาปัปพะและทาตุมณสิการะปับพะกล่าวสีวาทิกาปัปพะทั้ง9ก้าเป็นอาทินวานุปัสนาไว้ในวิปัสนาญาณ ส่วนสมาธิภาวนาในอุทุมาตักกอศสุภะเป็นต้นในนิเทศนั้นที่พึงปรารถนาข้าพเจ้าก็ประกาศไว้แล้วในอสุภะภาวนานิเทศคำภีวิสุธทธิมรรคทั้งนั้นสองปัพภะนี้คืออนาปานาปัปภะและปฏิกูละมณสิกาวรปัพภะก็กล่าวเป็นสมาธิไว้แล้วในนิเทศนั้น ในสองปัพภะนั้นอาณาปานาปัพภะเป็นกรรมฐานแผนกหนึ่งโดยแท้โดยเป็นอาณาปานาสติส่วนกรรมฐานคือทวติงสาการนั้นใดเป็นป ร, ริยาแห่งภาวนาส่วนหนึ่งของกายคตาสติซึ่งพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงแสดงทรงเคราะห์มันสมองไว้ด้วยเยื่อในกระดูกในบาลีประเทศนั้นๆอย่างนี้ว่า ดูก่อนภิกษุทั้งหลายอีกข้อหนึ่งภิกษุพิจารณาเห็นกายนี้นี่แหละตั้งแต่พื้นเท้าขึ้นไปปลายผมลงมามีนางหุ้มอยู่โดยรอบเต็มไปด้วยของไม่สะอาดมีประการต่างๆว่าในการนี้มีผมขนจนถึงมูดดังนี้ข้าพเจ้าเริ่มไว้แล้วกรรมฐานคือทวัดติงสาการนั้น จะพันน า, นาความดังต่อไปนี้บรรดาบทเหล่านั้นบทว่าอัตถิแลวว่ามีอยู่บทว่าอี ม, สมัสงความว่าที่กล่าวว่าตั้งแต่พื้นเท้าขึ้นไปแต่ปลายผมลงมามีหนังหุ้มโดยรอบเต็มไปด้วยของไม่สะอาดมีประการต่างๆบทว่ากาเย ได้แก่ในสรีระจริงอยู่สรีระเรียกกันว่ากายเพราะสะสมของไม่สะอาดหรือเพราะเป็นที่เจริญเติบโตของผมเป็นต้นที่น่าเกลียดและของโรคตั้งร้อยมีโรคตาเป็นต้นบทว่าเกสาเปมุตตังคืออาการสามสิบสองมีผมเป็นต้นเหล่านั้นในทวัดติงสาการนี้ พึงทราบความสัมพันธ์เชื่อมความอย่างนี้ว่าผมอยู่ในกายนี้ขนมีอยู่ในกายนี้เป็นต้นเป็นอันตรัดอะไรไว้ด้วยทวัดติงสาการกรรมมาานนั้นเป็นอันตรัดไว้ว่าใครๆเมื่อพิจารณานั้นแม้โดยอาการทุกอย่างในกะเลวระเรือนร่างขนาดวานหนึ่งนี้ คือประมาณเท่านี้คือเบื้องบนตั้งแต่พื้นเท้าขึ้นไปเบื้องล่างตั้งแต่ปลายผมลงมาพุ่มด้วยหนังโดยรอบย่อมจะไม่เห็นอะไรไม่ว่าแก้วมุกดาแก้วมณีแก้วไัยทูนปริศนาจันยาฝรัน่นการะบูลหรือผงอบเป็นต้นแม้ขนาดเล็กว่าสะอาดโดยที่แท้ย่อมจะเห็นกายต่างโดยผม ผลเป็นต้นที่มีกลิ่นเมนหม็นน่าเกลียดอย่างยิ่งไม่มีสิริที่น่าดูเลยมีประการต่างๆว่าไม่สะอาดอย่างเดียวพนานาโดยความสัมพันธ์แห่งบทในทวัตติงสาการกรรมฐานนี้เท่านี้ก่อนอสุภาภาวนา พึงทราบการพันน า, นาทวัติงสาการกรรมฐานนั้นเป็นอสุภะภาวนาดังต่อไปนี้ก่อนอื่นอันดับแรกกุลบุตรผู้เริ่มบำเพ็ญกรรมฐานเป็นผู้ตั้งอยู่ในศีลต่างโดยปานาติปาตาเว ร, รมณีสิกขาบทเป็นต้นอย่างนี้แล้วมีประโยคอันบริสุทธิ์ประสงค์จะประกอบเนื่องเนื่องซึ่งอนุโยคะ คือการบําเพ็ญกรรมฐานส่วนทวัติงสาการเพื่อบรรลุความบริสุทธิ์แห่งอาศยะญาณคุณบุตรนั้นย่อมมีกังวลสิบประการคือกังวลด้วยที่อยู่กังวลด้วยตระกูลด้วยลาบด้วยคณะด้วยการงานด้วยการเดินทางด้วยญาติด้วยการเรียนคัมภีร์ด้วยโรคและด้วยอิทธิฤทธ หรือด้วยการกังวลด้วยเกียรติเมื่อเป็นดังนั้นกุลบุตรผู้นี้ก็ต้องตัดกังวลสิบเหล่านั้นเสียด้วยวิธีอย่างนี้คือด้วยการละความเกี่ยวข้องในอาวาตระกูลลาบคณะญาติและเกียรติเสียด้วยการไม่ขวนขวายในการงานการเดินทางและการเรียนคำพีเสียด้วยการเยียวยาวโรคเมื่อเป็นดังนั้น คนละบุตรผู้นี้ตัดกังวลได้แล้วไม่ตัดความยินดียิ่งในเนคขมมะกำหนดความปฏิบัติขัดเกลาอันถึงบ้านปลายไม่ละเลยอาจาระทางวินัยแม้เล็กน้อยก็พึ่งเข้าไปหาพระอาจารย์ผู้ให้กรรมฐานซึ่งเป็นผู้ประกอบด้วยอาคมคือการปริยัตและอาธิคมคือปฏิบัติปฏิเวท หรือประกอบด้วยคุณสมบัติอย่างใดอย่างหนึ่งจากอาคมและอาธิคมนั้นด้วยวิธีที่เหมาะแก่พระวินัยและพึงแจ้งความประสงค์ของตนแก่พระอาจารย์นั้นซึ่งตนทำให้ท่านมีจิตยินดีด้วยข้อวัดสัมปทาพระอาจารย์นั้นพึงรู้ความแตกต่างแห่งนิมิตอัธยาสายจริยาและอาทิมุตของกุลบดผู้นั้นผิว่า กรรมฐานนั้นเป็นของเหมาะเมื่อเป็นดังนั้นคุณระบุตรแม้ผู้นั้นประสงค์จะอยู่ในวิหารที่คนอยู่ไซแต่นั้นก็พึงให้กรรมฐานโดยสังเขปถ้าคุณระบุตรนั้นประสงค์อยู่ในวิหารอื่นก็พึงบอกกรรมฐานพิสดารพร้อมทั้งข้อที่ควรทำก่อนโดยบอกข้อที่ควรละและข้อที่ควรกำหนดรู้เป็นต้น พร้อมทั้งประเภทจริตโดยบอกกรรมฐานที่เหมาะแก่ราคะจริตเป็นต้นกุลบุตรผู้นั้นรันเรียนกรรมฐานพร้อมข้ อ, ขอที่ควรทำก่อนทั้งประเภทนั้นแล้วบอกลาอาจารย์งดเว้นเสนาสนะส8ปประเภทที่ท่านกล่าวว่าควรงดเว้นอย่างนี้ว่าอาวาสใหญ่อาวาสใหม่อาวาสเก่าอาวาสใกล้ อาวาสใกล้ทางอาวาสใกล้ตระพังหินอาวาสมีใบไม้อาวาสมีดอกไม้อาวาสมีผลไม้อาวาสที่คนปรารถนาอาวาสที่ใกล้นครอาวาสที่ใกล้คนเข้าไปตัดไม้อาวาสที่ใกล้ไรนาอาวาสที่มีอารมณ์เป็นข่าศึกอาวาสใกล้ท่าเรืออาวาสใกล้ชายแดน อาวาสมีสีมาอาวาที่เป็นอสัพปายะอาวาที่ไม่ได้กลยานามิตรบัณฑิตรู้ จ, จักสถานที่สิบปดประเภทนี้ดังนี้แล้วขึงเว้นเสียให้ห่างไกลเหมือนคนเดินทางเว้นทางมีภัยเฉพาะหน้าฉะนั้นแล้วเข้าไปอย่างเสนาสนะที่ประกอบด้วยองค์ห้าซึ่งพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสอย่างนี้ว่า ดูก่อนภิกษุทั้งหลายเสนาสนะประกอบด้วยองค์ห้าเป็นอย่างไรดูก่อนภิกษุทั้งหลายเสนาสนะในพระธรรมวิไนนี้เป็นเสนาสนะที่ไม่ไกลนักที่ไม่ไกลนักรังพร้อมด้วยคมนาคมกลางวันผู้คนไม่พลุกพล่านกลางคืนเงียบเสียงไม่อึ ก, กะทึกไม่มีเหลือบยุงลมแดดงูรบกวน เมื่อภิกษุอยู่ในเสนาสนะนั้นจีวรบินทบาตเสนาสนา์คิลานปัจจัยเภสัชบริคารแห่งผู้เจ็บไข้เกิดขึ้นไม่ยากในเสนาสน์นั้นแหละในเสนาสน์นั้นแหละมีภิกษุผู้เทระผู้เป็นพหูสูตรผู้จบอาคมทรงธรรมทรงวินัยทรงมาติกาอยู่ภิกษุเข้าไปหาภิกษุเทระเหล่านั้น ตามสมควรแก่การสอบถามไล่เลียงว่าท่านขอรับข้อนี้เป็นอย่างไรข้อนี้มีความว่าอย่างไรท่านเหล่านั้นยอมจะเปิดเผยข้อที่ยังไม่เปิดเผยแก่ภิกษุนั้นทำข้อที่ยากให้ง่ายเข้าบรรเทาความสงสัยในธรรมะทั้งหลายอันเป็นที่ตั้งความสงสัยต่างๆเสียได้ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย เสนาสนะประกอบด้วยองค์ห้าอย่างนี้แหละดังนี้แล้วทากิจทุกอย่างให้เสร็จแล้วพิจารณาโทษในการมทั้งหลายและอนิสงในเนคขมมะทาจิตให้เลื่อมใสด้วยการระลึกถึงพระรัตนตรัยโดยความที่พระพุทธเจ้าตรัสรู้ดีแล้วโดยความที่พระธรรมเป็นธรรมอันดี และโดยความที่พระสงค์เป็นผู้ปฏิบัติดีแล้วไม่ละอุคหะโกสลความฉลาดในทางเรียนรู้เจ็ดทางที่ท่านกล่าวไว้อย่างนี้ว่านักปราดฉลาดเรียนรู้เจ็ดทางคือโดยวาจาโดยใจโดยวันนะโดยสันธานโดยทิศโดยโอกาสที่เกิดและโดยปริเชต และมนสิการะโกสนความฉลาดใส่ใจสิบอย่างที่ท่านกล่าวไว้อย่างนี้คือโดยลำดับโดยไม่เร็วนักโดยไม่ช้านักโดยป้องกันความฟุ้งซ่านโดยล่วงเลยบัญญัติโดยปล่อยลำดับโดยอัปปนาและสูตรสามสูตรคือไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาจึงควรเริ่มเจริญทวติสงส า, าร จริงอยู่การเจริญทวัติงสาการโดยอาการทุกอย่างย่อมสําเร็จแก่ผู้เริ่มดังกล่าวมานี้หาสําเร็จโดยประการอื่นไม่ในการเจริญทวัติงสาการนั้นภิกษุรับตจจะปัญจกกรรมฐานก่อนเป็นเบื้องต้นกล่าวโดยพระไตรปิฎกเมื่อตจจะปัญจกกรรมฐานคล่องแคล่วโดยอนุโลม ตามนัยะว่าเกษาโลมาเป็นต้นคล่องแคล่วโดยปฏิโลมตามนัยะว่าตะโจทันตาเป็นต้นพึงเจริญเสียเครึ่งเดือนทางวาจาเพื่อตัดความวิตกที่ฟุ้งซ่านออกไปข้างนอกโดยอนุโลมและปฏิโลมตามไวยะทั้งสองนั่นแหละเพื่อให้คล่องบาลี และทางใจเพื่อกำหนดสภาวะแห่งส่วนร่างกายเป็นอารมณ์จริงอยู่การเจริญทางวาจาซึ่งตะจัปปัญจกะกรรมัทนานั้นตัดวิตกที่ฟุ้งไปข้างนอกได้แล้วยอมเป็นปัจจัยแก่การเจริญทางวาจาเพราะคล่องบาลีแล้วการเจริญทางใจย่อมเป็นปัจจัยแก่การกำหนดอสุภวันณนะ และลักษณะส่วนใดส่วนหนึ่งเมื่อเป็นดังนั้นโดยในยะนั้นก็พึงเจริญวักกะปัญจกะกรรมฐานคือหมวดที่มีวั ก, กะเป็นที่หเสี้ครึ่งเดือนต่อ น, นั้นจึงเจริญตัจจะปัญจกะกรรมฐานและวักะปัญจกะกรรมฐานทั้งสองนั้นเสี้ครึ่งเดือนต่อ น, นั้นจึงเจริญปับภาสะ ปัญจกะกรรมฐ า, านซิครึ่งเดือนต่อจากนั้นก็เจริญทั้งสามปัญจกะนั้นสิครึ่งเดือนเมื่อเป็นดังนั้นก็พึงเพิ่มมัทลุมคังที่มิได้ตรัสในตอนท้ายไว้ในสาหมวดนี้เพื่อเจริญรวมกันไปกับอาการแห่งปัทวีธาทั้งหลายแล้วเจริญมัทลุมคังซิครึ่งเดือนต่อ น, นั้นก็เจริญปัญจกะ และจตุ ก, กะเสียครึ่งเดือนเมธชักกะครึ่งเดือนต่อ น, นั้นก็เจริญปัญจกะและจตุกะร่วมกับเมธชักกะครึ่งเดือนมุททชักกะครึ่งเดือนต่อ น, นั้นก็เจริญทวัดติงสาการทั้งหมดเสียครึ่งเดือนพึงเจริญกำหนดโดยวันนะสันฐานทิศโอกาสและปริเฉตหกเดือนดังกล่าวมาชนนี้ ข้อนี้ท่านกล่าวหมายถึงบุคคลที่มีปัญญาปานกลางส่วนคนปัญญาทึบพึงเจริญตลอดชีวิตผู้มีปัญญาเฉียบแหลมการเจริญย่อมสำเร็จได้ไม่นานเลยเกสาผมในข้อนี้ผู้ทักทวงกล่าวว่าภิกษุผู้เริ่มกรรมฐานผู้นี้ กำหนดทวัติิงสาการนี้โดยวันณะเป็นต้นอย่างไรความจริงภิกษุผู้เริ่มกรรมฐานนี้เมื่อเจริญทวัติิงสาการโดยจําแนกเป็นตระจะปัญจกะเป็นต้นโดยในยะว่ามีอยู่ในกายนี้ผมดังนี้เป็นต้นย่อมกําหนดผมเป็นของเช่นที่ภิกษุนี้เห็นแล้วก่อนโดยวันณะว่ามีสีดํา กำหนดผมที่เป็นเกลียวยาวโดวยสันฐานว่าเหมือนคันตาช่างแต่เพราะเหตุที่ในกายนี้เหนือท้องขึ้นไปเรียกว่าทิศเบื้องบนต่ำกว่าท้องลงมาเรียกว่าทิศเบื้องต่ำฉะนั้นจึงกำหนดโดยทิศว่าเกิดในทิศเบื้องบนแห่งกายนี้โอกาสคือที่เกิด กำหนดโดยโอกาสว่าเกิดที่หนังศีรษะรอบกกหูและหลุมคอกำหนดในเกษานั้นว่าผมไม่รู้ว่าเราเกิดที่หนังศีรษะแม้หนังศีรษะก็ไม่รู้ว่าผมเกิดที่เราเปรียบเหมือนหญ้ากุลธาที่เกิดบนยอดจอมปลวกไม่รู้ว่าเราเกิดบนยอดจอมปลวกแม้ยอดจอมปลวก ก็ไม่รู้ว่าญากุุณาเกิดบนเราฉะนั้นกําหนดว่าแท้จริงผมเหล่านั้นเว้นจากความคิดคำหนึ่งและการพิจารณาเป็นธรรมะไม่มีเจตนาคือใจเป็นอัพยากฤษตว่างเปล่าปฏิกูลด้วยกลิ่นเหม็นน่าเกลียดอย่างยิ่งไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่บุคคล เมื่อว่าเดปริเชตัดตอนการตัดตอนมีสองอย่างคือตัดตอนโดยสภาคส่วนถูกกันตัดตอนโดยวิสภาคส่วนผิดกันในการตัดตอนสองอย่างนั้นกำหนดโดยการตัดตอนโดยสภาคอย่างนี้ว่าผมถูกตัดตอนเบื้องล่างด้วยพื้นหนังที่ตั้งอยู่และด้วยพื้นโคนของตน ที่เข้าไปในพื้นหนังนั้นประมาณปลายมเมล็ดเข้าเปลือกตั้งอยู่เบื้องบนด้วยอากาศเบื้องขวางรีบผมกันและกันและกำหนดโดยตัดตอนโดยวิสภาคอย่างนี้ว่าผมไม่ใช่อาการสามสิบเอ็ดที่เหลืออาการสามสิบเอ็ดที่เหลือก็ไม่ใช่ผมกำหนดผมโดยวันนะเป็นต้น มีประการดังกล่าวมาอย่างนี้ก่อนโลมาคือขนในอาการส1สบเอ็ดที่เหลือก็กำหนดขนอย่างที่ภิกษุนี้เห็นแล้วโดยวันนะส่วนมากว่ามีสีเขียวโดยสันฐานว่ามีสันฐานเหมือนคันธนูโคง้งหรือมีสันฐานเหมือนเสียนตานงอ กำหนดโดยทิศ ท, ทั้งสองโอกาสคือที่เกิดกำหนดโดยโอกาสว่าเกิดที่หนังแห่งสรีระที่เหลือเว้นฝ่ามือฝ่าเท้าในอาการสามสิบที่เหลือนั้นกำหนดว่าขนย่อมไม่รู้ว่าเราเกิดที่หนังแห่งสรีระแม้หนังแห่งสรีระก็ไม่รู้ว่าขนเกิดที่เรา เปรียบเหมือนยาทั พ, พะอันเกิดในสถานที่บ้านเก่าย่อมไม่รู้ว่าเราเกิดในสถานที่บ้านเก่าแม้สถานที่บ้านเก่าก็ไม่รู้ว่ายาท พ, พะเกิดที่เราฉะนั้นด้วยว่าขนเหล่านั้นเว้นจากความคิดคำหนึ่งและการพิจารณาเป็นธรรมะหาเจตนาคือใจไม่ได้เป็นอัพญากฤตว่างเปล่า ปฏิกูลด้วยกลิ่นเหม็นน่าเกลียดอย่างยิ่งไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่บุคคลกำหนดด้วยปริเช ต, ตัดตอนว่าขนเบื้องล่างตัดตอนด้วยพื้นหนังที่ตั้งอยู่และด้วยโคนของตนที่เข้าไปในพื้นหนังนั้นประมาณตัวเหาตั้งอยู่นี้เบื้องบนตัดตอนด้วยอากาศขนเบื้องขวางตัดตอนด้วยตนด้วยกันเอง ที่เป็นการกำหนดขนเหล่านั้นโดยสภาคส่วนการกำหนดโดยวิสภาคก็เช่นเดียวกับผมนั่นแลกกำหนดขนโดยวั น, นะเป็นต้นมีประการดังกล่าวมาเชน่นนี้นักขาคือเล็บตั้งแต่นั้นไปก็กำหนดว่า ผู้มีเล็บครบก็มียี่สิบเล็บเล็บเหล่านั้นทั้งหมดโดยวันนะมีสีขาวในโอกาสที่พื้นเนื้อมีสีแดงในโอกาสที่ติดกับเนื้อโดยสันฐานมีสันฐานเหมือนโอกาสตามที่ตั้งอยู่โดยมากมีสันฐานเหมือนมเมล็ดมะซางหรือมีสันฐานเหมือนเกล็ดปลา โดยทิศ ต, ตั้งอยู่ในทิศทั้งสองโดยโอกาสคือที่เกิดตั้งอยู่ปลายนิ้วในเล็บนั้นกําหนดว่าเล็บย่อมไม่รู้ว่าเราตั้งอยู่ปลายนิ้วแม้นิ้วก็ไม่รู้ว่าเล็บตั้งอยู่ที่ปลายของเราเปรียบเหมือนมเมล็ดมะสางที่พวกเด็กชาวบ้านเสียบไว้ที่ปลายไม้ ไม่รู้ว่าเราถูกเสียบไว้ที่ปลายไม้แม้ไม้ก็ไม่รู้ว่ า, มาเมล็ดมะซางถูกเสียบไว้ที่เราฉะนั้นด้วยว่าเล็บเหล่านั้นเว้นจากความคิดคำหนึ่งและการพิจารณาเป็นธรรมะไม่มีเจตนาคือใจเป็นอัพยากฤิตว่างเปล่าปฏิกูลด้วยกลิ่นเหม็นน่าเกลียดอย่างยิ่งไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่บุคคล กำหนดด้วยปริเฉดว่าเล็บล่างถูกตัดตอนด้วยเนื้อนิ้วที่โคนนั้นหรือด้วยพื้นที่ตั้งอยู่ที่โคนนั้นและเล็บบนตัดตอนด้วยอากาศที่ปลายด้วยหนังปลายสองข้างของนิ้วทั้งสองข้างนี้เป็นการกำหนดเล็บเหล่านั้นโดยสภาพส่วนการกำหนดวิสภาคก็เช่นเดียวกับผมนั่นแหล กำหนดเล็บโดยวั น, นะเป็นต้นมีประการดังกล่าวมาฉชนี้ทันตาคือฟันต่อแต่นั้นก็กําหนดว่าผู้มีฟันครบก็มีฟันสามสิบสองซี่ฟันเหล่านั้นทั้งหมดโดยวั น, นะก็มีสีขาวโดยสันฐาน ฟันของผู้มีฟันเรียบจะปรากฏเหมือนพื้นสังตัดที่แข็งและเหมือนพวกดอกไม้ขาวตูมที่้อยไว้ฟันของผู้มีฟันไม่เรียบมีสันฐานต่างๆกันเหมือนลำดับต่างบนหออันเก่าก็เนบลายแถวฟันสองข้างของฟันเหล่านั้นฟันแปดซี่ข้างล่างสองซี่ข้างบนสองซี่มีปลายซี่ มีโคนสี่มีสันฐานเหมือนกันมีสันฐานเหมือนเก้าอี้ยาวฟันแปดซี่ซึ่งตั้งอยู่ตามลำดับนั้นข้างในฟันเหล่านั้นมีปลายสามมีรากสามมีสันฐานเหมือนกระจับฟันสี่ซี่ข้างล่างหนึ่งซี่ข้างบนหนึ่งซี่ตามลำดับนั้นข้างในฟันเหล่านั้น มีปลายสองมีรากสองมีสันฐานเหมือนไม้ค้ำเกวียนฟันที่เป็นเขี้ยวสี่ซี่ซึ่งตั้งอยู่ตามลำดับนั้นข้างในของฟันเหล่านั้นข้างล่างหนึ่งซี่ข้างบนหนึ่งซี่มีปลายเดียวรากเดียวมีสันฐานเหมือนมาลิตูมแต่นั้นฟันแปดซี่ข้างล่างสี่ซี่ข้างบนสี่ซี่ ตรงกลางแถวฟันสองข้างมีปลายเดียวรากเดียวมีสันฐานเหมือนเมล็ดน้ำเต้าโดยทิศเกิดในทิศเบื้องบนโดยโอกาสคือที่เกิดฟันบนตั้งอยู่ในกระดูกคางบนปลายลงฟันล่างตั้งอยู่ในกระดูกคางล่างมีปลายขึ้นในฟันนั้น ก็กำหนดว่าฟันไม่รู้ว่าเราตั้งอยู่ในกระดูก้างล่างตั้งอยู่ในกระดูกคางบนแม้กระดูกคางล่างก็ไม่รู้ว่าฟันตั้งอยู่ในเรากระดูกคางบนก็ไม่รู้ว่าฟันตั้งอยู่ในเราเปรียบเหมือนเสาที่บุรุษช่างก่อสร้างตั้งเข้าไว้ในพื้นหินเบื้องล่างสอดเข้าไว้ในหินเบื้องบนย่อมไม่รู้ว่า เราถูกเขาตั้งไว้ในหินเบื้องล่างถูกสอดเข้าไว้ในหินเบื้องบนพื้นหินเบื้องล่างก็ไม่รู้ว่าเสาถูกเขาตั้งไว้ในเราพื้นหินเบื้องบนก็ไม่รู้ว่าเสาถูกเขาสอดเข้าไว้ในเราฉะนั้นด้วยว่าฟันเหล่านั้นเว้นจากความคิดคำหนึ่งและการพิจารณาเป็นธรรมะไม่มีเจตนาคือใจเป็นอัพยากฤต ว่างเปล่าปฏิกูลด้วยกลิ่นเหมน็นน่ากเกลียดอย่างยิ่งไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่บุคคลกำหนดโดยปริเฉดว่าฟันล่างตัดตอนด้วยหลุมกระดูกคางสอดเข้ากระดูกคางตั้งอยู่และด้วยพื้นรากของตนฟันบนตัดตอนด้วยอากาศเบื้องขวางกำหนดด้วยฟันซึ่งกันและกันนี้เป็นการกำหนดฟันเหล่านั้นโดยสภาพ ส่วนการกําหนดโดยวิสภาก็เช่นเดียวกับผมนั่นแหละกําหนดฟันโดยวั น, นะเป็นต้นมีประการดังกล่าวมาชนี้ตะโจคือหนังต่อตานั้นไปสิ่งซึ่งปกปิดกองซากศพต่างๆในภายในสรีระชื่อว่าตะโจคือหนัง กำหนดว่าหนังมีสีขาวก็ถ้าหากว่าหนังนั้นปรากฏเหมือนมีสีต่างๆโดยเป็นสีดำสีขาวเป็นต้นก็เพราะถูกย้อมด้วยเครื่องย้อมผิวถึงเช่นนั้นก็ขาวอยู่นั่นแหละโดยวันณะที่เป็นสภาพกันก็ความที่หนังนั้นมีสีขาวนั้นย่อมปรากฏโดยผิวถูกเปลวไฟลวกและถูกประหารด้วยเครื่องประหารเป็นต้น กำหนดโดยสันฐานโดยสังเขวว่าสีสันฐานดุดเสื้อโดยพิสดารว่ามีสันฐานต่างๆจริงอย่างนั้นหนังนิ้วเท้ามีสันฐานเหมือนรังไหมหนังหลังเท้ามีสันฐานเหมือนรองเท้าที่ห่อไว้หนังแข้งมีสันฐานเหมือนใบตานห่อข้าวหนังขามีสันฐานเหมือนถุงยาวมีข้าวสารเต็ม หนังตะโพกมีสันฐานเหมือนผ้ากรองน้ำมีน้ำเต็มหนังสันหลังมีสันฐานเหมือนหนังหุ้มโลกหนังท้องมีสันฐานเหมือนหนังหุ้มร่างพินหนังอกโดยมากมีสันฐานสี่เหลี่ยมหนังแขนทั้งสองมีสันฐานเหมือนหนังหุ้มแร่งธนูหนังหลังมือมีสันฐานเหมือนผูกมิตโกน หรือมีสันธานเหมือนซองหวีหนังนิ้วมือมีสันธานเหมือนกล่องกุญแจหนังคอมีสันธานเหมือนเสื้อมีคอหนังหน้ามีสันธานเหมือนรังนอนมีช่องเล็กช่องน้อยหนังศีรษะมีสันธานเหมือนถลกบาทคือถุงที่ใส่บาทก็พระโยคาวจรผู้กำหนดหนังเป็นอารมณ์ ส่งจิตเข้าไประหว่างหนังและเนื้อตั้งแต่ริมฝีปากบนกำหนดหนังหน้าก่อนเป็นอันดับแรกต่อ น, นั้นก็หนังศีรษะหนังคอด้านนอกแต่นั้นก็พึงกาหนดหนังมือขวาทั้งอนุโลมและปฏิโลมคือเรียงตามลำดับและถอยกลับตามลำดับโดยลำดับต่อมา ก็พึงกาหนดหนังมือซ้ายหนังสันหลังหนังตะโพกต่อนั้นก็หนังหลังเท้าขวาทั้งอนุโลมและปฏิโลมหนังหลังเท้าซ้ายหนังกระเพาะปัสสวะท้องน้อยหัวใจคอด้านในต่อนั้นก็หนังคางล่างหนังริมฝีปากล่าง กำหนดอย่างนี้อีกจนถึงริมฟีปากบนกำหนดโดยทิศว่าเกิดในทิศทั้งสองกำหนดโดยโอกาสว่าห่อหุ้มทั่วสรีระตั้งอยู่ในหนังนั้นประโยคขาวจรกำหนดว่าหนังย่อมไม่รู้ว่าเราห่อหุ้มสรีระที่ประกอบด้วยมหาภูตรูปทั้งสี่นี้ แม้สริระที่ประกอบด้วยมหาพูทธรูปทั้งสีน่นี้ก็ไม่รู้ว่าเราถูกหนังห่อหุ้มไว้เปรียบเหมือนหีบหุ้มด้วยหนังสดหนังสดย่อมไม่รู้ว่าเราหุ้มหีบไว้แม้หีบก็ไม่รู้ว่าเราถูกหนังสดหุ้มไว้ฉะนั้นด้วยว่าหนังเหล่านั้นเว้นจากความคิดคำหนึ่งและการพิจารณา เป็นธรรมะไม่มีเจตนาคือใจเป็นอัพยากฤิตว่างเปล่าปฏิกูลด้วยกลิ่นเหม็นน่ากเกลียดอย่างยิ่งไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่บุคคลท่านกล่าวไว้สิ้นเชิงว่าร่างกายนี้อุ้มด้วยหนังสดมีทวานรก้าวมีแผลมากไม่สะอาดมีกลิ่นเหม็นย่อมไหลออกโดยรอบ กำหนดโดยปริเชตตัดตอนว่าหนังเบื้องล่างตัดตอนด้วยเนื้อหรือพื้นที่ตั้งอยู่ที่เนื้อนั้นหนังเบื้องบนตัดตอนด้วยผิวนี้เป็นการกำหนดหนังนั้นโดยสภาพการกำหนดโดวยวิสภาคก็เช่นเดียวกับผมนั่นแหลกกำหนดหนังโดยวันนัเป็นต้นมีประการดังกล่าวมาชนนี้ มังสังเนื้อต่อแต่นั้นไปก็กําหนดเนื้อที่ต่างๆโดยเนื้อเก้าร้อยชิ้นในสรีระโดยวันณะว่ามีสีแดงคล้ายดอกทองกวาโดยสันฐานว่ามีสันฐานต่างๆกันจริงอย่างนั้นเนื้อปลีแข้งของสรีระนั้นมีสันฐานเหมือนเข้าสวยห่อใบตานอาจารย์บางพวกกล่าว่า มีสันฐานเหมือนดอกลาเจียกตูมยังไม่บานดังนี้ก็มีเนื้อขามีสันฐานเหมือนลูกหินบทปูนขาวเนื้อตะโพกมีสันฐานเหมือนปลายก้อนเศร้าเนื้อสันหลังมีสันฐานเหมือนแผ่นก้อนน้ำตาลจากตาลเนื้อซี่โครงทั้งสองข้างมีสันฐานเหมือนดินฉาบบางๆในที่พื้นท้องยุงซึ่งทำด้วยไม้ไผ่ เนื้อนมมีสันธานเหมือนก้อนดินชุ่มที่ทำให้กลมและโยนไปเนื้อแขนสองข้างมีสันธานเหมือนหนูใหญ่ที่เขาตัดหางหัวและเท้าไม่มีหนังตั้งไว้อาจารย์พวกหนึ่งกล่าวว่ามีสันธานเหมือนพวงเนื้อดังนี้ก็มีเนื้อแก้มมีสันธานเหมือนเมล็ดกลุ่มที่เขาวางไว้ที่แก้มอาจารย์พวกหนึ่งกล่าวว่า มีสันฐานเหมือนกบ่างนี้ก็มีเนื้อลิ้นมีสันฐานเหมือนกลีบบัวเนื้อจมูกมีสันฐานเหมือนหนังสือวางคว่ำหน้าเนื้อเบ้าตามีสันฐานเหมือนผลเมื่อเดือดสุกครึ่งหนึ่งเนื้อศีรษะมีสันฐานเหมือนน้ํามันจาบกระทะบางๆระบมบาท ก็พระโยคาวาจรผู้กำหนดเนื้อเป็นอารมณ์พึงกำหนดเนื้อส่วนห ย, ยาบๆเหล่านั้นแหลโดยสันธานด้วยว่าพระโยคาวาจรกำหนดอยู่อย่างนี้เนื้อส่วนละเอียดก็จะปรากฏแก่ยานกำหนดโดยทิศเนื้อเกิดในทิศทั้งสองกำหนดโดยโอกาสคือที่เกิดเนื้อฉาบตามกระดูกสามร้อยชิ้น ที่เป็นโครงตั้งอยู่ในเนื้อนั้นก็กาหนดว่าเนื้อเก้าร้อยชิ้นย่อมไม่รู้ว่าเราฉาบกระดูกสามร้อยชิ้นไว้แม้กระดูกสามร้อยชิ้นก็ไม่รู้ว่าเราถูกเนื้อเก้าร้อยชิ้นฉาบฝาเรือนเหมือนฝาเรือนที่ถูกฉาบด้วยดินหยาบดินหยาบย่อมไม่รู้ว่าเราฉาบฝาเรือนไว้แม้ฝาเรือนก็ไม่รู้ว่า เราถูกดินหยาบฉาบไว้ด้วยว่าเนื้อเหล่านั้นเว้นจากความคิดคำหนึง่งและการพิจารณาเป็นธรรมะไม่มีเจตนาคือใจเป็นอัพยากริตว่างเปล่าปฏิกูลด้วยกลิ่นเหม็นน่ากเกลียดอย่างยิ่งไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่บุคคลท่านกล่าวไว้สิ้นเชิงว่าฉาบกะเลวระเรือนร่างอันคลาดคลําด้วยหมู่นอนชนิดต่าง เน่าเหม็นเหมือนคูดคืออุจจาระกำหนดโดยปริเฉดว่าเนื้อเบื้องล่างตัดตอนด้วยร่างกระดูกหรือพื้นที่ตั้งอยู่ที่ร่างกระดูกนั้นเนื้อเบื้องบนตัดตอนด้วยหนังเนื้อเบื้องขวางตัดตอนด้วยเนื้อด้วยกันเองนี้เป็นการกำหนดเนื้อนั้นโดยสภาพส่วนการกำหนดโดยวิสภาค ก็เช่นเดียวกับผมนั่นแหละกาหนดเนื้อโดยวันนะเป็นต้นมีประการดังกล่าวมาชะนี้ณนหารุคือเอ็นต่อแต่นั้นไปก็กําหนดว่าเอ็นเก้าร้อยในสรีิระโดยวันนะมีสีขาวอาจารย์พวกหนึ่งกล่าวว่า มีสีเหมือนน้ำผึ้งโดยสันฐานมีสันฐานต่างๆจริงอย่างนั้นบรรดาเอ็นเก้ารอยนั้นเอ็นใหญ่ๆมีสันธานเหมือนดอกกันทละตูมที่ละเอียดกว่านั้นก็มีสันฐานเหมือนเชือกบวงคล้องหมูที่เล็กยิ่งกว่านั้นก็มีสันฐานเหมือนเถาวันเน่าที่เล็กยิ่งกว่านั้นไปอีกก็มีสันธานเหมือนสายพินใหญ่ ของชาวสิงหหนที่เล็กยิ่งกว่านั้นไปอีกก็มีสันธารเหมือนได้หยาบเอ็น <N S 1> ที่หลังมือหลังเท้ามีสันธารเหมือนตีนนกเอ็น <N S 1> ที่ศีรษะมีสันธารเหมือนผ้าบางๆที่วางไว้บนศีรษะของเด็กชาวบ้านเอ็น <N S 1> หลังมีสันธารเหมือนแหจับปลาที่เปียกน้ำแล้วคลี่ตากแดดไว้ เอ็นที่ไปตามอวัยวะใหญ่น้อยนั้นๆในสรีระนี้มีสันฐานเหมือนเสื้อตะขายอันสูมไว้ที่สรีระโดยทิศเอ็นเกิดในทิศทั้งสองบรรดาเอ็นเหล่านั้นเอ็นใหญ่มีชื่อว่ากันทะมีห้าผูกตั้งแต่กบหูข้างขวามาข้างหน้าและข้างหลังถึงข้างซ้าย ผูกตั้งแต่กกหูข้างซ้ายมาข้างหน้าและข้างหลังถึงข้างขวาผูกตั้งแต่หลุมคอข้างขวามาข้างหน้าและข้างหลังถึงข้างซ้ายผูกตั้งแต่หลุมคอข้างซ้ายมาข้างหน้าและข้างหลังถึงข้างขวาผูกมือข้างขวามาข้างหน้าห้าข้างหลังห้ารวมเอ็นใหญ่ที่ช <spannend> ื่อว่ากัญชร เป็นสิบล่ามไปทั่วมือข้างซ้ายเท้าข้างขวาและเท้าข้างซ้ายก็เหมือนอย่างนั้นรวมความว่าเอ็นใหญ่หกสิบดังกล่าวมาเหล่านั้นก็กำหนดว่าเป็นเครื่องช่วยทรงสรีระไว้ช่วยกำหนดสรีระก็มีกำหนดโดยโอกาสคือที่เกิดเอ็ N ผูกล่ามกระดูกข้างในกระดูกกับหนังและกระดูกกับเนื้อตั้งอยู่ทั่วรีระในเอ็นนั้นกําหนดว่าเอ็นย่อมไม่รู้ว่ากระดูกสามร้อยชิ้นถูกเราผูกไว้แม้กระดูกสามร้อยชิ้นก็ไม่รู้ว่าเราถูกเอ็นผูกไว้เปรียบเหมือนไม้คดๆที่ถูกถาวันพันล่ามไว้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 ท่านกล่าวสรุปไว้ว่าเอ็นเก้าร้อยย่อมผูกร่างกระดูกในเรือนร่างประมาณวานหนึ่งว้เหมือนเทววานผูกเรือนฉะนั้นกำหนดโดยปริเศตว่าเอ็นเบื้องล่างตัดตอนด้วยกระดูกสามร้อยชิ้นหรือพื้นที่ตั้งอยู่ที่กระดูกนั้นเอ็นเบื้องบนตัดตอนด้วยหนังและเนื้อเบื้องขวาง ตัดตอนเอ็นของกันและกันเองนี้เป็นการกำหนดเอ็นเหล่านั้นโดยสภาคส่วนการกำหนดโดยวิสภาก็เช่นเดียวกับผมนั่นแหละกำหนดเอ็นโดยวันนะเป็นต้นมีประการดังกล่าวมาเช่นนี้อธิคือกระดูก ต่อจตกนั้นไปก็กำหนดโดยวันนะว่ากระดูกมีประเภทที่ท่านกล่าวไว้โดยในยะเป็นต้นอย่างนี้ว่าเพราะท่านถือเอากระดูกฟันส2สองซี่แยกไว้ต่างหากกระดูกที่เหลือในสรีระคือกระดูกมือ64กระดูกเท้าห4กระดูกอ่อนที่ติดเนื้อ64กระดูกส้นเท้าสองกระดูกข้อเท้าเท้าหนึ่งหนึ่ง เทาละสองกระดูกแข้งสองกระดูกเข่าหนึ่งกระดูกขาสองกระดูกสะเอวสองกระดูกสันหลังสิบกระดูกซี่โครง24กระดูกอกสิกระดูกใกล้หัวใจหนึ่งกระดูกหารปาสองกระดูกหลังแขนสองกระดูกแขนสองกระดูกปลายแขนสอง กระดูกคอเจ็ดกระดูกคางสองกระดูกจมูกหนึ่งกระดูกตาสองกระดูกหูสองกระดูกหน้าผากหนึ่งกระดูกหัวหนึ่งกระดูกกระโหลกศีรษะเก้ากระดูกทั้งหมดนั่นแหละมีสีขาวกำหนดโดยสันฐานว่ากระดูกมีสันฐานต่างๆกันจริงอย่างนั้น บรรดากระดูกเหล่านั้นกระดูกปลายนิ้วเท้ามีสันฐานเหมือนเมล็ดตุ่มกาต่อจากนั้นกระดูกข้ อ, อกลางของนิ้วเท้ามีสันฐานเหมือนเมล็ดขนุนที่ไม่เต็มกระดูกข้อต้นมีสันฐานเหมือนบันดอกอาจารย์พวกหนึ่งกล่าวว่ามีสันฐานเหมือนเกล็ดหางนกยุงดังนี้ก็มีกระดูกหลังเท้า มีสันธานเหมือนกองรากต้นกัญทละตำกระดูกส้นเทา้ามีสันธานเหมือนเมล็ดผลตาลซึ่งมีเมล็ดเดียวกระดูกข้อเทา้ามีสันธานเหมือนลูกลมของเล่นที่ผูกรวมกันกระดูกชิ้นเล็กในกระดูกแข็งมีสันธานเหมือนคันธนูกระดูกชิ้นใหญ่มีสันธานเหมือนเส้นเอ็นแห้งเพราะหิวระหาย ที่กระดูกแข้งตั้งอยู่ในกระดูกข้อเท้ามีสันฐานเหมือนหน่อต้นเ ป, เป้งลอกเปลือกที่กระดูกแข้งตั้งอยู่ในกระดูกเขา่ามีสันฐานเหมือนยอดตะโพนกระดูกเขา่ามีสันฐานเหมือนฟองน้ำตัดข้างหนึ่งกระดูกขาสันฐานเหมือนด้ามมีดละขวานที่ถูกเคร้า ที่กระดูกขาตั้งอยู่ในกระดูกสืเอลมีสันฐานเหมือนกับหลอดเป่าไฟของช่างทองโอกาสที่กระดูกขาตั้งอยู่ในกระดูกสือเอลนั้นมีสันธานเหมือนผลบุญนาคตัดปลายกระดูกสืเอลแม้มีสองก็ติดเป็นอันเดียวกันมีสันธานเหมือนเตาไฟที่ช่างมอสร้างไว้อาจารย์พวกหนึ่งกล่าวว่า มีสันฐานเหมือนมอนข้างของดาบทดังนี้ก็มีกระดูกตะโพกมีสันฐานเหมือนคราบงูที่เขาวางความหน้ากระดูกสันหลังส8ชิ้นมีช่องเล็กน้อยในที่เจ็ดถึงแแห่งภายในมีสันฐานเหมือนผืนผ้าพกศีรษะที่วางซ้อนกันภายนอกมีสันฐานเหมือนแร้งกลม กระดูกสันหลังเหล่านั้นมีหนาสองถึงสามอันเสมือนฟันเลื่อยบรรดากระดูกซี่โครงยีสชิ้นส่วนที่บริบูรณ์มีสันธานเหมือนเขี้ยวชาวสิงห์ผลที่บริบูรณ์ส่วนที่ไม่บริบูรณ์มีสันฐานเหมือนเขี้ยวชาวสิงห์ผลที่ไม่บริบูรณ์อาจารย์พวกหนึ่งกล่าวว่าทั้งหมดนั่นแล มีสันธานเหมือนปีกสองข้างของไก่ขาวที่คลี่ออกดังนี้ก็มีกระดูก อ, อกสิบสี่ชิ้นมีสันธานเหมือนแถวแผ่นไม้คานหามเก่ากระดูกหัวใจมีสันธานเหมือนแผ่นทัพพีกระดูกห้ปาร้ามีสันธานเหมือนด้ามมีดโลหะเล็กๆบรรดากระดูกหปาร้าเหล่านั้น กระดูกส่วนล่างมีสันธารเหมือนอัฐจันทร์หรือพระจันทร์ครึ่งซีกระดูกหลังแขนมีสันธารเหมือนใบขวานอาจารย์พวกหนึ่งกล่าวว่ามีสันธารเหมือนจอบชาวสิงห์หนตัดครึ่งดังนี้ก็มีกระดูกแขนมีสันธารเหมือนด้ามกระจกเงาอาจารย์พวกหนึ่งกล่าวว่ามีสันธารเหมือนด้ามมีดใหญ่ดังนี้ก็มี กระดูกปลายแขนมีสันฐานเหมือนเงาตาลคู่กระดูกข้อมือมีสันฐานเหมือนผืนผ้าโพกศีรษะที่เขาวางติดรวมกันกระดูกหลังมือมีสันฐานเหมือนกองเงาต้นกันทละตำ่ำกระดูกข้อต้นของนิ้วมือมีสันฐานเหมือนบันดอกกระดูกข้อกลาง มีสันธานเหมือนมเมล็ดขนุนที่ไม่บริบูรณ์กระดูกข้อปลายมีสันธานเหมือนมเมล็ดตุ่มกากระดูกคอเจ็มีสันฐานเหมือนชิ้นหน่อไม้ไผ่ที่เขาเจาะวางเรียงไว้กระดูกคางล่างมีสันฐานเหมือนเชือกปูคอนเหล็กของช่างทองกระดูกคางบนมีสันธานเหมือนไม้ชัมระเจ็ดอัน กระดูกเบ้าตาและโรงจมูกมีสันธานเหมือนลูกตาลอ่อนที่ยังไม่ลอกเยื่อกระดูกหน้าผากมีสันฐานเหมือนกระโหลกสังแตกที่เขาวางความหน้ากระดูกกกหูมีสันฐานเหมือนกล่องมีดโกนของช่างแต่งผมบรรดากระดูกหน้าผากและกกหูกระดูกในโอกาสที่ติดกันเป็นแผ่นตอนบน มีสันฐานเหมือนชิ้นผ้าเก่าปิดหม้อเต็มน้ํานาหนากระดูกหัวมีสันฐานเหมือนมะพร้าวคตติดปากกระดูกศรษะมีสันฐานเหมือนกระโหลกน้ำเต้าเก่าแก่ที่เสียบวางไว้โดยทิศกระดูกทั้งหลายเกิดในทิศทั้งสองโดยโอกาสคือที่เกิด กระดูกทั้งหลายตั้งอยู่ทั่วสรีระไม่มีส่วนเหลือแต่ว่าโดยพิเศษกระดูกศีรษะตั้งอยู่บนกระดูกคอกระดูกคอก็ตั้งอยู่บนกระดูกสันหลังกระดูกสันหลังก็ตั้งอยู่บนกระดูกสะเอวกระดูกสะเอวก็ตั้งอยู่บนกระดูกขากระดูกขาก็ตั้งบนกระดูกเข่ากระดูกเข่า ก็ตั้งอยู่บนกระดูกแข้งกระดูกแข้งก็ตั้งอยู่บนกระดูกข้อเท้ากระดูกข้อเท้าก็ตั้งอยู่บนกระดูกหลังเท้ากระดูกหลังเท้าก็ยกกระดูกข้อเท้าขึ้นตั้งกระดูกข้อเท้าก็ยกกระดูกแข้งขึ้นตั้งและไล่ไปตามลำดับจนถึงกระดูกคอก็ยกกระดูกศีรษะขึ้นตั้ง พึงทราบกระดูกส่วนที่เหลือโดยทานองดังกล่าวมาชนี้ในกระดูกนั้นกำหนดว่ากระดูกศรีรษะย่อมไม่รู้ว่าเราตั้งอยู่บนกระดูกคอเป็นต้นกระดูกข้อเท้าย่อมไม่รู้ว่าเราตั้งอยู่บนกระดูกหลังเท้าแม้กระดูกหลังเท้าก็ไม่รู้ว่า เรายกกระดูข้อเท้าขึ้นตั้งเปรียบเหมือนบรรดาทัพพะสัมภาระมีอิดและไม้กลอนอิดเป็นต้นตอนบนยอมไม่รู้ว่าเราตั้งอยู่บนอิดเป็นต้นตอนล่างอิดเป็นต้นตอนล่างก็ไม่รู้ว่าเรายกอิดเป็นต้นตอนบนตั้งขึ้นฉะนั้นด้วยว่ากระดูกเหล่านั้น เว้นจากความคิดคำนึงและการพิจารณาเป็นธรรมะไม่มีเจตนาคือใจเป็นอัพยากฤตว่างเปล่าปฏิกูลด้วยกลิ่นเหม็นน่าเกลียดอย่างยิ่งไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่บุคคลก็กระดูกสามร้อยชิ้นที่เป็นโครงสร้างเหล่านี้อันเอ็นเก้าร้อยและเนื้อเก้าร้อยชิ้นผูกและฉาบไว้เป็นต้นเดียวกัน ฉาบทาด้วยยางเหนียวไปตามปราสาทรับรถเจ็ดพันมีหยดเหงื่อกรองด้วยขุมขนเก้มนเก้าพันมีตระกูลนอนแปดสิบตระกูลนับได้ว่ากายอย่างเดียวซึ่งพระโยคาวาจรเมื่อพิจารณาโดยสภาวะเป็นจริงย่อมจะไม่เห็นสิ่งไร้รายที่ควรเข้าไปยึดถือแต่จะเห็นร่างกระดูกอย่างเดียว ที่รัดเริงด้วยเอ็นกลาคล้ำด้วยซากศพต่างๆซึ่งครั้นเห็นแล้วย่อมเข้าถึงความเป็นโอรสของพระทศพลเหมือนอย่างที่ตรัสไว้ว่ากระดูกทั้งหลายตั้งหลายเรียงกันในที่ต่อเป็นอันมากจากกายนี้อันสิ่งไรๆมีได้ผูกไว้กายนี้หากเอ็นทั้งหลายผูกรัดไว้อัญชราเตือนแล้ว ไม่มีเจตนาคือใจอุปมาดังท่อนไม้ซากศพเกิดในซากศพของเน่าเกิดในของไม่สะอาดของเหม็นเกิดในของเหม็นของต้องเสื่อมสภาพเกิดในของต้องสลายไปกองกระดูกเกิดในกองกระดูกของเน่าเกิดในกายเน่าเธอทั้งหลาย จงกาจัดความพอใจในกายอันเน่านั้นเสียก็จักเป็นบุตรของตทาคตทศพลโดยปริเฉตก็กาหนดว่าภายในกระดูกตัดตอนด้วยเยื่อในกระดูกภายนอกตัดตอนด้วยเนื้อปลายและโคนตัดตอนด้วยกระดูกของกันและกันเอง นี่เป็นการกำหนดกระดูกเหล่านั้นโดยสภาคส่วนการกำหนดโดยวิสภาคก็เช่นเดียวกับผมนั่นแหลกกำหนดกระดูกโดยวั น, นะเป็นต้นมีประการดังกล่าวมาเช่นนี้อธิมิชังเยื่อในกระดูกต่อแต่นั้นไป ก็กำหนดว่าเยื่อในกระดูกซึ่งอยู่ภายในกระดูกทั้งหลายมีประเภทตามที่กล่าวแล้วในสรีระโดยวันนะมีสีขาวโดยสันฐานเหมือนโอกาสของตนคือเยื่อกระดูกที่อยู่ภายในกระดูกทั้งหลายขนาดใหญ่ๆมีสันฐานเหมือนหน่อหวายขนาดใหญ่ซึ่งเขาสอดหมุนใส่ในข้อไม้ไผ่และอ้อขนาดใหญ่ เยื่อกระดูกที่อยู่ภายในกระดูกเล็กๆมีสันฐานเหมือนหน่อไวายขนาดเล็กซึ่งเขาสอดหมุนใส่ในข้อไม้ไผยและอ้อขนาดเล็กโดยทิศเกิดในทิศทั้งสองโดยโอกาสคือที่เกิดตั้งอยู่ในภายในกระดูกทั้งหลายในเยื่อกระดูกนั้นก็กำหนดว่าเยื่อกระดูก ย่อมไ ม, ไม่รู้ว่าเราอยู่ภายในกระดูกแม้กระดูกก็มีรู้ว่าเยือกระดูกอยู่ภายในเราเปรียบเหมือนนมส้มและน้ำอ้อยอยู่ภายในไม้ไผ่และอ้อเป็นต้ CPU. นย่อมไม่รู้ว่าเราอยู่ภายในไม้ไผ่และอ้อเป็นต้นและไม้ไผ่และอ้อเป็นต้นนั้นก็มีรู้ว่านมส้มและน้ำอ้อยอยู่ภายในเราฉะนั้น เยื่อกระดูกเหล่านั้นเว้นจากความคิดคำหนึง่งและการพิจารณาเป็นธรรมะไม่มีเจตนาคือใจเป็นอัพยากฤตว่างเปล่าปฏิกูลด้วยกลิ่นเหมน็นน่ากเกลียดอย่างยิ่งไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่บุคคลโดยปริเฉดเยื่อในกระดูกตัดตอนด้วยพื้นภายในกระดูกทั้งหลายและด้วยส่วนแห่งเยื่อในกระดู นี้เป็นการกําหนดเยื่อในกระดูกนั้นโดยสภาพส่วนการกําหนดโดยวิสภาคก็เช่นเดียวกันกับผมนั่นแลกําหนดเยื่อกระดูกโดยวั น, นะเป็นต้นมีประการดังกล่าวมาชนี้วักกังคือตายต่อแต่นั้นไปก็กําหนดว่า วค ก, กคือไตต่างโดยเป็นดังลูกกลมสองลูกภายในสรีระโดยวันนะมีสีแดงอ่อนมีสีเหมือนมเมล็ดทองหลางโดยสันฐานสันฐานเหมือนลูกกลมเล่นร้อยได้ของเด็กชาวบ้านอาจารย์พวกหนึ่งกล่าวว่ามีสันธานเหมือนมะม่วงสองผลคู่เดียวกันดังนี้ก็มีโดยโอกาส คือที่เกิดไตนั้นถูกเอ็นหยาบซึ่งออกมาจากหลุมคอมีโคนเดียวกันไปหน่อยหนึ่งแล้วแตกออกเป็นสองส่วนรัดรึงไว้แล้วล้อมเนื้อหัวใจตั้งอยู่ในไตนั้นก็กําหนดว่าไตยอมไม่รู้ว่าเราถูกเอ็นหยาบรัดไว้แม้เอ็นหยาบก็ไม่รู้ว่าเรารัดไตไว้ เปรียบเหมือนมะม่วงสองผลติดขั้วเดียวกันย่อมไม่รู้ว่าเขาถูกขั้วรัดไว้แม้ขั้วก็ไม่รู้ว่าเรารัดมะม่วงสองผลไว้ฉะนั้นด้วยว่าธรรมะเหล่านี้เว้นจากความคิดคำหนึ่งและการพิจารณาไม่ใช่บุคคลโดยป ร, ริเฉดว่าไตตัดตอนด้วยส่วนแห่งไตนี้เป็นการกำหนดไตนั้น โดยสภาคส่วนการกำหนดโดยวิสภาคก็เช่นเดียวกับผมนั่นแหละกำหนดตายโดยวันนาเป็นต้นมีประการดังกล่าวมาชนี้หทกายังคือหัวใจต่อแต่นั้นไปก็กำหนดว่าหัทยหัวใจภายในสรีระ โดยวันนะสีแดงมีสีเหมือนสีหลังกลีบปทุมแดงโดยสันธานมีสันธานเหมือนดอกปทุมตูกลอกกลีบนอกออกระหว่างความหน้าลงก็หัวใจนั้นข้างหนึ่งเหมือนผลบุญนาคตัดยอดข้างนอกเลี้ยงข้างในก็เหมือนข้างในผลบวกขมของคนปัญญามากย้มนิดหน่อย ของคนปัญญาอ่อนตูมอย่างเดียวมนูธาต์และมมนวิญญาณธาต์อาศัยรูปใดเป็นไปถอดรูปนั้นออกไปแล้วเลือดขังอยู่ประมาณครึ่งฝายมือภายในหัวใจกล่าวคือชิ้นเนื้อส่วนที่เหลือเลือดนั้นของคนราคะจริตสีแดงของคนโทสะจริตสีดำ ของคนโมหะเจริตสีเหมือนน้ำล้างเนื้อของคนวิตกจริตสีเหมือนน้ำเยื่อถั่วภูของคนศรัทธาเจริตสีเหมือนดอกกัญญิกาของคนปัญญาเจริตพองใสไม่ขุนมัวปรากฏว่าโชคช่วงเหมือนแก้วมณีโดยกำเนิดที่ชำระแล้วโดยทิศเกิดในทิศเบื้องบน โดยโอกาสตั้งอยู่ตรงกลางราวนมทั้งสองภายในสรีระในหัวใจนั้นก็กําหนดว่าหัวใจย่อมไม่รู้ว่าเราตั้งอยู่ตรงกลางราวนมทั้งสองแม้ราวนมก็ไม่รู้ว่าหัวใจตั้งอยู่ตรงกลางเราเปรียบเหมือนกรอนสลักตั้งอยู่กลางบานหน้าต่างและประตูทั้งสองย่อมไม่รู้ว่า เราตั้งอยู่ตรงกลางบานหน้าต่างและประตูทั้งสองแม้บานหน้าต่างและประตูก็ไม่รู้ว่าก่อนสลักตั้งอยู่กลางเราฉะนั้นด้วยว่าธรรมะเหล่านั้นเว้นจากความคิดคำนึงและการพิจารณาไม่มีเจตนาไม่มีใจไม่ใช่บุคคลโดยป ร, ริเชตก็กำหนดว่าหัวใจตัดตอนด้วยส่วนแห่งหัวใจ นีเป็นการกำหนดหัวใจนั้นโดยสภาคส่วนการกำหนดโดยวิสภาคก็เช่นเดียวกับผมนั่นแหละกำหนดหัวใจโดยวันนาเป็นตน้นมีประการดังกล่าวมาช่นนี้ย่ากน็นังตับต่อแต่นั้นไปก็กำหนดว่า ชิ้นเนื้อคู่ที่เรียกยกันว่ายกณนะคือตับภายในสรีระโดยวันนะสีแดงมีสีเหมือนสีหลังกลีบนอกดอกกุมมุดแดงโดยสันฐานมีคนเดียวกันปลายคู่มีสันฐานเหมือนดอกทองหลางก็ตับนั้นของคนปัญญาอ่อนมีแจกเดียวแต่ใหญ่ของคนมีปัญญา มีแฉกสองถึงสมแฉกแต่เล็กเกิดในทิศเบื้องบนโดยโอกาสคือที่เกิดอาศัยสีข้างด้านขวาตั้งอยู่ภายในราวนมทั้งสองหมายเหตุผู้อา่านคำว่าคนปัญญาอ่อนนั้นอาจไม่ได้หมายถึงคนบ้านะครับแต่หมายถึงคนที่มีปัญญาน้อยคำว่าอย่างเลวก็เหมือนกันนะครับ อาจไม่ได้หมายถึงชั่วช้าเลวสามแต่หมายถึงขั้นต่ำอย่างต่ำหรือดีน้อยที่สุดก็ได้นะครับในตับนั้นก็กำหนดว่าตับยอมไม่รู้ว่าเราอาศัยสี่ข้างด้านขวาตั้งอยู่ภายในราวนมทั้งสองแม้สี่ข้างด้านขวาภายในราวนมทั้งสองก็ไม่รู้ว่าตับอาศัยเราตั้งอยู่ เปรียบเหมือนชิ้นเนื้อซึ่งแขวนอยู่ที่ข้างกระเบื้องหม้อย่อมไม่รู้ว่าเราแขวนอยู่ที่ข้างกระเบื้องหม้อแม้ข้างกระเบื้องหม้อก็ไม่รู้ว่าชิ้นเนื้อแขวนอยู่ที่เราฉะนั้นด้วยว่าธรรมะเหล่านี้เว้นจากความคิดคำนึงและการพิจารณาไม่ใช่บุคคลโดยปริเชตกำหนดว่าตับตัดตอนด้วยส่วนแห่งตับ นี้เป็นการกำหนดตับนั้นโดยสภาส่วนการกำหนดโดยวิสภาก็เช่นเดียวกันกับผมนั่นแหละกำหนดตับโดยวันนะเป็นต้นมีประการดังกล่าวมาชนนี้กิโลมักกังคือพังผืดต่อแต่นั้นไปก็กำหนดว่าโดยวันนะ พังผืดมีสองอย่างคือชนิดปิดและชนิดไม่ปิดคือเปิดมีสีขาวสีเหมือนผ้าเก่าโดยสันธานมีสันธานเหมือนโอกาสของตนโดยทิศเกิดในทิศทั้งสองโดยโอกาสคือที่เกิดพังผืดชนิดปิดล้อมหัวใจและไตตั้งอยู่พังผืดชนิดไม่ปิด หรือชนิดเปิดนั้นหุ้มเนื้อใต้หนังทั่วสรีระตั้งอยู่ในพังผืดนั้นกำหนดว่าพังผืดยอมไม่รู้ว่าเราล้อมหัวใจและไตและหุ้มเนื้อใต้หนังทั่วสรีระแม้หัวใจและไตและเนื้อทั่วสรีระก็ไม่รู้ว่าเราถูกพังผืดหุ้มเปรียบเหมือนที่เนื้ออันถูกผ้าเก่าหุ้มผ้าเก่า ก็ไม่รู้ว่าเราหุ้มเนื้อแม้เนื้อก็ไม่รู้ว่าเราถูกผ้าเก่าหุ้มฉะนั้นด้วยว่าธรรมะเหล่านี้เว้นจากความคิดคำนึงและการพิจารณาไม่ใช่บุคคลโดยปริเชตก็กำหนดว่าพังผืดเบื้องล่างตัดตอนด้วยเนื้อเบื้องบนตัดตอนด้วยหนังเบื้องขวางตัดตอนด้วยส่วนแห่งพังผืด นี้เป็นการกำหนดพังผืดนั้นโดยสภาคส่วนการกำหนดโดยวิสภาคก็เช่นเดียวกับผมนั่นแหลกกำหนดพังผืดโดยวั น, นะเป็นต้นมีประการดังกล่าวมาชนี้ปิหักกังมามต่อแต่นั้นไปก็กำหนดว่า โดยวันนะ ม, ม้าภายในสรีระมีสีเขียวมีสีเหมือนดอกคนที่สอแห้งโดยสันฐานโดยมากมีสันฐานเหมือนลิ้นลักโคดำไม่พันกันประมาณเจ็ดนิ้วโดยทิศเกิดในทิศเบื้องบนโดยโอกาสตั้งอยู่ข้างซ้ายหัวใจอาศัยข้างบนพื้นท้องซึ่งเมื่อออกมาข้างนอก เพราะถูกประหารด้วยเครื่องประหารสัตว์ก็จะสิ้นชีวิตในม้ามนั้นกำหนดว่าม้ามยอมไม่รู้ว่าเราอาศัยส่วนข้างบนของพื้นท้องแม้ส่วนข้างบนของพื้นท้องก็ไม่รู้ว่าม้ามอาศัยเราตั้งอยู่เปรียบเหมือนก้อนโคหมคือมูลโคอาศัยส่วนข้างบนของท้องตั้งอยู่ ยอมไม่รู้ว่าเราอาศัยส่วนข้างบนของท้องตั้งอยู่แม้ส่วนข้างบนของท้องก็ไม่รู้ว่าก้อนโคลไม่อาศัยเราตั้งอยู่ฉะนั้นด้วยว่าธรรมะเหล่านี้เว้นจากความคิดคำนึงและการพิจารณาไม่ใช่บุคคลโดยปริเฉธกำหนดว่าม้ามตัดตอนด้วยส่วนแห่งม้าม นี้เป็นการกำหนดม้ามนั้นโดยสภากส่วนการกำหนดโดยวิสภาคก็เช่นเดียวกับผมนั่นแหลกกำหนดม้ามโดยวันนะเป็นต้นมีประการดังกล่าวมาชนี้ปับผาสังคือปอดต่อตานั้นไปก็กำหนดว่าโดยวันนะ ปอดเป็นประเภทชิ้นเนื้อ32สองชิ้นภายในเซลีระสีแดงเหมือนผลเมื่อเดือดสุกยังไม่จัดโดยสันธานมีสันธานเหมือนขนมที่ตัดไม่เรียบอาจารย์พวกหนึ่งกล่าวว่ามีสันธานเหมือนกองชิ้นอิดก่อกาแพงดังนี้ก็มีปอดนั้นไม่มีรสไม่มีโอชาเหมือนชิ้นฟางที่สัตว์เคี้ยวแล้วและถูกกระทบด้วยไออุน่นไฟที่เกิดแตก่กรรม ซึ่งพลุ่งขึ้นเพราะไม่มีอาหารที่เคี้ยวที่ดื่มโดยทิศเกิดในทิศเบื้องบนโดยโอกาสคือที่เกิดตั้งข้างบนห้อยคลุมหัวใจและตับระหว่างราวนมทั้งสองในปอดนั้นก็กำหนดว่าปอดยอมไม่รู้ว่าเราตั้งห้อยอยู่ระหว่างราวนมทั้งสองภายในสรีระ แม้ระหว่างเราน่มทั้งสองภายในเรีระก็ไม่รู้ว่าปอดตั้งห้อยอยู่ในเราเปรียบเหมือนรังนกห้อยอยู่ภายในยุ้งเก่ายอมไม่รู้ว่าเราตั้งห้อยอยู่ภายในยุ้งเก่าแม้ภายในยุ้งเก่าก็ไม่รู้ว่ารังนกตั้งห้อยอยู่ในเราฉะนั้นด้วยว่าธรรมะเหล่านี้เว้นจากความคิดคำหนึ่งและการพิจารณา ไม่ใช่บุคคลนี้เป็นการกำหนดปอดนั้นโดยสภาคส่วนการกำหนดโดยวิสภาคก็เช่นเดียวกับผมนั่นแหละกำหนดปอดโดยวันนัเป็นต้นมีประการดังกล่าวมาชนนี้อันตังไ้ใหญ่ต่อแต่นั้นไปก็กำหนดว่า โดยวันนะไส้ใหญ่ขดอยู่ในที่21ด่ดขดของบุรุษขนาด32สอซอกของสตรีขนาด28สซอกสีขาวเหมือนสีน้ำตาลกรวดและปูนขาวโดยสันฐานมีสันฐานเหมือนงูเรือนที่เขาตัดหัววางขดไว้ในรางเลือดโดยทิศเกิดในทิศทั้งสอง โดยโอกาสตั้งอยู่ภายในสรีระซึ่งมีหลุมคอและทางเดินกริสะคืออุจจาระเป็นที่สุดเพราะโยงกับเบื้องบนที่หลุมคอและเบื้องล่างที่ทางเดินกริสะในไ้ใหญ่นั้นก็กำหนดว่าไ้ใหญ่ย่อมไม่รู้ว่าเราตั้งอยู่ภายในสรีระแม้ภายในสรีระก็ไม่รู้ว่าไ้ใหญ่ตั้งอยู่ในเรา เปรียบเหมือนเรือนร่างงูเรือนศีษะขาดที่ถูกวางไว้ในร่างเลือดย่อมไม่รู้ว่าเราตั้งอยู่ในรางเลือดแม้ร่างเลือดก็ไม่รู้ว่าเรือนร่างงูศีษะขาด ต, ตั้งอยู่ในเราฉะนั้นด้วยว่าธรรมะเหล่านั้นเว้นจากความคิดคำนึงและการพิจารณาไม่ใช่บุคคลโดยป ร, ริเชตก็กำหนดว่า ไส่ใหญ่ตัดตอนด้วยส่วนแห่งไส่ใหญ่นี้เป็นการกำหนดไส่ใหญ่โดยสภาคส่วนกำหนดโดยวิสภาคก็เช่นเดียวกับผมนั่นแหลอันตะคู่หนังไส่น้อยต่อแต่นั้นไปก็กำหนดว่าโดยวันนะ ไสนน้อในระหว่างไส้ใหญ่ภายในสรีระสีขาวเหมือนสีรากจงกล น, นีโดยสันฐานมีสันฐานเหมือนรากจงกล น, นีนั่นหละอาจารย์พวกหนึ่งกล่าวว่ามีสันฐานเหมือนเยี่ยวโคโดยทิศเกิดในทิศทั้งสองโดยโอกาสพันปลายปากขนดไส้ใหญ่รวมกันเหมือนพันกระดานโยนพันเชือก เวลาที่คนทำจอบและขวานเป็นต้นชักยนต์ตั้งอยู่ระหว่างขนดไส้ใหญ่ย1สิเอ็ดขดเหมือนเชือกที่ร้อยกดเชือกเช็ดเท้าตั้งอยู่ในระหว่างเชือกเช็ดเท้านั้นในไส้น้อยนั้นก็กำหนดว่าไส้น้อยย่อมไม่รู้ว่าเราพันไส้ใหญ่ภายในไส้ใหญ่ยี่สิเอ็ดขนดไวแม้ไส้ใหญ่ก็ไม่รู้ว่า ใส่น้อยพันเราไวเปรียบเหมือนเชือกเล็กร้อยขดเชือกเช็ดเท้าคือเชือกใหญ่ยอมไม่รู้ว่าเราร้อยขดเชือกเช็ดเท้าวไว้แม้ขดเชือกเช็ดเท้าก็ไม่รู้ว่าเชือกเล็กร้อยเราไว้ฉะนั้นด้วยว่าธรรมเหล่านั้นเว้นจากความคิดคำนึงและพิจารณาไม่ใช่บุคคลโดยปริเชษ ก็กำหนดว่าไ้น้อยตัดตอนด้วยส่วนแห่งไ้น้อยนี้เป็นการกำหนดไ้น้อยนั้นโดยสภาคส่วนการกำหนดโดวยวิสภาก็เช่นเดียวกับผมนั่นแหลการกำหนดไ้น้อยโดย ว, วันะเป็นต้นมีประการดังกล่าวมาชนี้อุททรียงอาหารใหม่ ต่อแต่นั้นไปก็กำหนดว่าโดยวันนะอาหารใหม่มีสีเหมือนอาหารที่กลืนเข้าไปโดยสันฐานที่สันฐานเหมือนข้าวสารที่ผูกย่อนย่อนในภากรองน้ำโดยทิดเกิดในทิศเบื้องบนโดยโอกาสตั้งอยู่ในท้องธรรมดาว่าท้องเป็นพื้นของไส้ใหญ่เสมือนโป่งลม ที่เกิดเองตรงกลางพ้าเปียกซึ่งถูกบีบทั้งสองข้างภายนอกเกลียงเกา่าภายในพัวพันด้วยกองขยะเนื้อเสมือนผ้าสับฤระดูเกระกล่ำคล่าอาจารย์พวกหนึ่งกล่าวว่าเสมือนข้างในของผลขนุนต้มดังนี้ก็มีในท้องนั้นมีหนอนต่างด้วยหนอน32สองตระกูลอย่างนี้คือตระกูลตักโกลกะ ขนาดผลกระวานกันทุกป่าตกะขนาดไส้เดือนตาพิรักกะขนาดเสี้ยนตาลเป็นต้นข้อนี้น่าจะหมายถึงพยาธินะครับคลาคล่ำไต่กันยัวเย้ะอาศัยอยู่ประจำซึ่งเมื่อไม่มีอาหารคือข้าวและน้ำเป็นต้นก็โลดแล่นต้องระงมชอนชัยเนื้อหัวใจ และเวลาคนกลืนกินอาหารมีน้ำและข้าวเป็นต้นลงไปก็เงยหน้าตลิตตาลานยังอาหารสองสามคำที่คนกลืนลงไปครั้งแรกท้องจึงกลายเป็นบ้านเกิดเป็นซุวมเป็นโรงพยาบาลและเป็นป่าช้าของหนอนเหล่านั้นเป็นที่เปรียบเหมือนในฤดูาศาสตร์ฝนเม็ดหยับหยาบตกลงมาใส่บอกโซโครก ไลประตูหมู่บ้านคนจันทานซากต่างๆ ต, ตั้งแต่ปัสวะอุจจระชิ้นหนังกระดูกเอ็นน้ำลายน้ำมูกและเลือดเป็นต้นถูกน้ำพัดพารวมคลุกเคล้ากับตมและน้ำมีนองตระกูล น, น้อยใหญ่เกิดเองล่วงไป23สิบสามวันก็เดือดด้วยแรงแสงแดดและความร้อนพ่นฟองฟอดปุดขึ้นข้างบน มีสีเขียวจัดไม่สมควรที่จะเข้าใกล้หรือมองดูไม่ต้องกล่าวถึงว่าจะสูดดมหรือลิ้มรสฉันใดน้ำและข้าวเป็นต้นมีประการต่างๆก็ฉันนั้นเหมือนกันอันสากคือฟันบดละเอียดแล้วอันมือคือลิ้นตวัดกลับไปมาแล้วคลุกคล้าวด้วยน้ำลาย ราศจากความพร้อมด้วยสีกลิ่นรสเป็นต้นไปทันใดเสมือนรากสุนัขในรางสุนัขรวมกันคลุกเคล้าด้วยดีเสเลตเดือดด้วยแรงไฟในท้องและความร้อนมีหนอนตระกูลใหญ่น้อยปล่อยฟองฟอดขึ้นเบื้องบนจนกลายเป็นกองขยะมีกลิ่นเหม็นและน่าเกลียดอย่างยิ่งซึ่งฟังมาแล้วทําให้ไม่อยากดื่มน้ํากินข้าวเป็นต้น อย่าว่าถึงจะตรวจดูด้วยจักษุคือปัญญาเลยซึ่งเป็นที่ที่น้ำและข้าวเป็นต้นตกลงไปแล้วจะแบ่งเฉลยเป็นห้าส่วนคือส่วนหนึ่งสัตว์ในท้องจะกินส่วนหนึ่งไฟในต้องจะเผาไหมส่วนหนึ่งจะกลายเป็นปั ส, สวะส่วนหนึ่งจะกลายเป็นอุจจาระส่วนหนึ่งจะกลายเป็นรถ คือโอชะบำรุงเพิ่มเลือดและเนื้อในอาหารใหม่นั้นก็กําหนดว่าอาหารใหม่ยอมไม่รู้ว่าเราอยู่ในท้องที่มีกลิ่นเหม็นน่าเกลียดอย่างยิ่งนี้แม้ท้องก็ไม่รู้ว่าอาหารใหม่อยู่ในเราเปรียบเหมือนรากสุนัขอันนี้น่าจะหมายถึงอาเจียนหรือสำรอกของสุนัขนะครับ เปรียบเหมือนรากสุนักที่อยู่ในรางสุนักแม้รางสุนักก็ไม่รู้ว่ารากสุนักอยู่ในเราฉะนั้นด้วยว่าธรรมะเหล่านี้เว้นจากความคิดคำนึงและการพิจารณาไม่ใช่บุคคลโดยป ร, ริเชตก็กำหนดรู้ว่าอาหารใหม่ตัดตอนด้วยส่วนแห่งอาหารใหม่นี้เป็นการกำหนดอาหารใหม่นั้นโดยสภาก ส่วนการกำหนดโดยวิสภาคก็เช่นเดียวกับผมนั่นแหละกำหนดอาหารใหม่โดยวันณะเป็นต้นมีประการดังกล่าวมาชนี้เกรีษะอาหารเก่าหรืออุจจาระต่อแต่นั้นไปก็กำหนดว่าโดยวันณะอาหารเก่าภายในสรีระโดยมาก ก็มีสีเหมือนอาหารที่กลื่นกินเข้าไปโดยสันฐานก็มีสันฐานเหมือนโอกาสคือที่เกิดโดยทิศเกิดในทิศเบื้องล่างโดยโอกาสตั้งอยู่ในที่อาหารอันย่อยแล้วอยู่อาศัยธรรมดาประเทศที่อาหารอันย่อยแล้วอยู่อาศัยก็เป็นประเทศเสมือนภายในปล้องไม้ไผ่ละอ้อ สูงประมาณแดนิ้วอยู่ปลายลำไส้ใหญ่ระหว่างโคนท้องน้อยและสันหลังเบื้องล่างเปรียบเหมือนน้ำฝนตกในที่เบื้องบนคือสูงก็ไหลลงทำที่เบื้องล่างคือที่ต่ำให้เต็มขังอยู่ชั้นใดน้ำและข้าวเป็นต้นอย่างใดอย่างหนึง่งที่ตกลงในที่อยู่ของอาหารสดใหม่อันไฟในท้องเผาให้สุกเดือดปุดเป็นฟอง กลายเป็นของละเอียดไปเหมือนแป้งเพราะไฟธาตุทาให้ละเอียดแล้วก็ไหลไปตามช่องลําไส้ใหญ่บีบรัดสะสมขังอยู่เหมือนดินเหลืองที่เขาใส่ในปล้องไม้ไผ่และต้น อ, อ้อก็ฉันนั้นเหมือนกันในอาหารเก่านั้นก็กําหนดว่าอาหารเก่าย่อมไม่รู้ว่าเราอยู่ในที่อยู่ของอาหารที่ย่อยแล้ว แม้ที่อยู่ของอาหารที่ย่อยแล้วก็ไม่รู้ว่าอาหารเก่าอยู่ในเราเปรียบเหมือนดินเหลืองที่เขาเคยย่ำใส่ลงในปล้องไม้ไผ่และไม้อ้อแม้ปล้องไม้ไผ่และไม้อ้อก็ไม่รู้ว่าดินเหลืองอยู่ในเราฉะนั้นด้วยว่าธรรมะเหล่านี้เว้นจากความคิดคำนึงและการพิจารณาไม่ใช่บุคคล โดยปริเฉดกำหนดว่าอาหารเก่าตัดตอนด้วยส่วนแห่งอาหารเก่านี้เป็นการกำหนดอาหารเก่านั้นโดยสภาพส่วนการกำหนดโดยวิสภาพก็เช่นเดียวกับผมนั่นแหละกำหนดอาหารเก่าโดยวันณะเป็นต้นมีประการดังกล่าวมาชนี้มัทลุงคังมันในสมอง ต่อแต่นั้นไปก็กำหนดว่าโดยวันนะมันในสมองภายในกระโหลกศีรษะในสรีระมีสีขาวเหมือนสีเห็ดอาจารย์พวกหนึ่งกล่าวว่ามีสีเหมือนสีน้ำนมเดือดดังนี้ก็มีโดยสันฐานมีสันฐานเหมือนโอกาสคือที่เกิดโดยทิศเกิดในทิศเบื้องบนโดยโอกาส เป็นประเภทก้อนมันสมองสี่ก้อนที่อาศัยร้อยเอ็นสี่รอยภายในกระโหลกศีรษะรวมกันตั้งอยู่เหมือนก้อนแป้งสี่ก้อนที่เขารวมกันตั้งไว้ในมันสมองนั้นก็กำหนดว่ามันในสมองย่อมไม่รู้ว่าเราอยู่ในกระโหลกศีรษะแม้กระโหลกศีรษะก็ไม่รู้ว่ามันในสมองอยู่ในเรา เปรียบเหมือนก้อนแป้งที่เขาสู่ไว้ในกระโหลกน้ำเต้าเก่าหรือน้ำนมเดือดยอมไม่รู้ว่าเราอยู่ในกระโหลกน้ำเต้าเก่าแม้กระโหลกน้ำเต้าเก่าก็ไม่รู้ว่าก้อนแป้งหรือน้ำนมเดือดอยู่ในเราฉะนั้นด้วยว่าธรรมะเหล่านี้เว้นจากความคำหนึ่งและการพิจารณาไม่ใช่บุคคลโดยปริเชธกำหนดว่า มันในสมองตัดตอนด้วยส่วนแห่งมันในสมองนี้เป็นการกำหนดมันในสมองนั้นโดยสภาวส่วนการกำหนดโดยวิสภาคก็เช่นเดียวกับผมนั่นแหละกำหนดมันในสมองโดวยวันนาเป็นต้นมีประการดังกล่าวมาเช่นนี้ปิดตังคือดี ตอแต่นี้ไปกําหนดว่าดีแหมสองชนิดคือดีนอกถุงและดีในถุงมีสีเหมือนน้ํามันมาสร้างนี้อาจารย์พวกหนึ่งกล่าวว่าดีนอกถุงมีสีเหมือนดอกพิกุนแห้งดังนี้ก็มีโดยสันฐานมีสันธานเหมือนโอกาสโดยทิศเกิดในทิศทั้งสองโดยโอกาสคือที่เกิด ดีนอกถุงเว้นที่ของผมขนเล็บและพื้นอันพ้นจัดเนื้อและหนังที่แข็งและแห้งเออกอาบสรีระส่วนที่เหลืออยู่เหมือนหยาดน้ำมันเอิกอาบน้ำซึ่งเมื่อกำเริบแล้วดวงตาจะเหลืองเวียนศีสะตัวสันและคันดีในถุงตั้งอยู่ในถุงน้ำดีซึ่งเสมือนรังบวบขม อาศัยเนื้อหัวใจตั้งอยู่ในระหว่างหัวใจและปอดซึ่งเมื่อกำเริบแล้วสัตว์ทั้งหลายจะเป็นบ้ามีจิตวิตปลาสทิ้งหิริโอดตับปากทำการที่ไม่ควรทำพูดคำที่ไม่ควรพูดคิดข้อที่ไม่ควรคิดในดีนั้นก็กำหนดว่าดีนอกถุงย่อมไม่รู้ว่าเราเอออาตลอดสรีระอยู่ แม้สรีระก็ไม่รู้ว่าดีนอกถุงเอิบอาบเราอยู่เปรียบเหมือนน้ำมันเอิบอาบน้ำอยู่ย่อมไม่รู้ว่าเราเอิบอาบน้ำอยู่แม้น้ำก็ไม่รู้ว่าน้ำมันเอิบอาบเราอยู่ฉะนั้นดีในถุงย่อมไม่รู้ว่าเราอยู่ในถุงน้ำดีแม้ถุงน้ำดีก็ไม่รู้ว่า ดีในถุงอยู่ในเราเปรียบเหมือนน้ำฝนที่อยู่ในรังบวกขมย่อมไม่รู้ว่าเราอยู่ในรังบวกขมแม้รังบวกขมก็ไม่รู้ว่าน้ำฝนอยู่ในเราฉะนั้นด้วยว่าธรรมะเหล่านี้เว้นจากความคิดคำานึงและการพิจรารณาไม่ใช่บุคคล โดยปริเฉตก็กำหนดว่าดีตัดตอนด้วยส่วนแห่งดีนี้เป็นการกำหนดดีนั้นโดยสภาคส่วนการกำหนดโดยวิสภาคก็เช่นเดียวกับผมนั่นแหละกำหนดดีโดยวันนะเป็นต้นมีประการดังกล่าวมาเชน่นนี้เสมหังสเลศ ต่อแต่นั้นไปก็กำหนดว่าโดยวันนะเสมหามีประมาณบาทหนึ่งภายในสรีระมีสีขาวเหมือนสีน้ำในมะเดือ่อโดยสันธานมีสันธานเหมือนโอกาสคือที่เกิดโดยทิศเกิดในทิศเบื้องบนโดยโอกาสตั้งอยู่ในท้องซึ่งในเวลากลืนกินอาหารมีน้ำและโภชนะเป็นต้น เมื่อ น, น้ำและโภชนะเป็นต้นตกลงก็จะแตกออกเป็นสองส่วนแล้วจะกลับมาคลุมอีกซึ่งเมื่อมีน้อยพื้นท้องจะมีกลิ่นเหมือนซากศพน่าเกลียดอย่างยิ่งเหมือนหัวฝีสุกเหมือนไข่ไก่เน่าเปรียบเหมือนสาหร่ายในน้ำเมื่อชิ้นไม้หรือกระเบื้องตกก็จะขาดเป็นสองส่วนแล้วก็กลับมาคลุมอีกฉะ่นนั้นการเรือก็ดี ปากก็ดีจะมีกลิ่นเหม็นเหมือนซากศพเน่าด้วยกลิ่นที่พุ่งขึ้นจากท้องนั้นและคนผู้นั้นก็จะถูกเขาพูดไล่ตะเพิดว่าออกไปเจ้าส่งกลิ่นเหม็นและเสมหะพอกพูนหนาแน่นขึ้นก็ช่วยระงับกลิ่นเหม็นตั้งอยู่ภายในพื้นท้องนั่นแหละเหมือนแผ่นกระดานปิดซ่วมในเสมหะนั้น ก็กำหนดว่าเสมหะย่อมไม่รู้ว่าเราอยู่ที่พื้นท้องแม้พื้นท้องก็ไม่รู้ว่าเสมหะอยู่ในเราเปรียบเหมือนแผ่นฟองบุนบ่อโสโครกย่อมไม่รู้ว่าเราอยู่ในบ่อโสโครกแม้บ่อโสโครกก็ไม่รู้ว่าแผ่นฟองอยู่ในเราฉะนั้นด้วยว่าธรรมะเหล่านี้ เว้นจากความคิดคำนึงและการพิจารณาไม่ใช่บุคคลโดยปริเชตก็กำหนดว่าเสมหะตัดตอนด้วยส่วนแห่งเสมหะนี้เป็นการกำหนดเสมหะนั้นโดยสภาคส่วนการกำหนดโดยวิสภาคก็เช่นเดียวกับผมนั่นแหลกำหนดเสมหะโดยวันนาเป็นต้นมีประการดังกล่าวมาชนี้ ปุกโพคือหนองต่อแต่นั้นไปก็กำหนดว่าโดยวันนะหนองมีสีเหมือนใบไม้เหลืองโดยสันฐานมีสันฐานเหมือนโอกาสคือที่เกิดโดยทิศเกิดในทิศ ท, ทั้งสองโดยโอกาสธรรมดาโอกาสคือที่เกิดของน้าเหลือง ตั้งอยู่ประจำไม่มีจะตั้งอยู่ในตาแหน่งสรีระที่น้าเหลืองสะสมตั้งอยู่ที่เมื่อถูกตอ่อ้นาเครื่องประหารและเปเลวไฟเป็นต้นกระทบแล้วห่อเลือดหรือเกิดฝีและต่อมเป็นต้นในหนองนั้นก็กำหนดว่าหนองย่อมไม่รู้ว่าเราตั้งอยู่ในตำแหน่งที่ถูกต่อและหนามเป็นต้นกระทบ หรือในตำแหน่งที่เกิดฝีและต่อมเป็นต้นณที่นั้นๆแห่งสารีระแม้ตำแหน่งศารีระก็ไม่รู้ว่านำเหลืองอยู่ในเราเปรียบเหมือนยางไม้ที่ไหลออกตั้งอยู่ในที่ที่ถูกคมขวานเป็นต้นเฉพาะในที่นั้นๆของต้นไม้ย่อมไม่รู้ว่าเราตั้งอยู่ในที่ที่ถูกเฉพาะของต้นไม้แม้ที่ที่ถูกเฉพาะของต้นไม้ ก็ไม่รู้ว่าอย่างไม้ตั้งอยู่ในราวชะนั้นด้วยว่าธรรมะเหล่านั้นเว้นจากความคิดคำนึงและพิจารณาไม่ใช่บุคคลโดยปริเฉตกำหนดว่าหนองตัดตอนด้วยส่วนแห่งน้ำเหลืองนี้เป็นการกำหนดหนองนั้นโดยสภาคส่วนการกำหนดโดยวิสภาคก็เช่นเดียวกับผมนั่นแล กำหนดหนองโดยวั น, นะเป็นต้นมีประการดังกล่าวมาชนี้โลหิตตังคือเลือดต่อแต่นั้นไปในเลือดสองอย่างคือเลือดขังและเลือดเดินก็กำหนดเลือดขังก่อนโดยวั น, นะมีสีเหมือนน้ำครั่งเดือดข้น เลือดเดินมีสีเหมือนน้ำคลั่งใสโดยสันฐานเลือดทุกอย่างมีสันฐานเหมือนโอกาสของตนโดยทิศเลือดขังเกิดในทิศเบื้องบนเลือดเดินเกิดในทิศทั้งสองโอกาสคือที่เกิดโดยโอกาสเลือดเดินจะกระจายไปตลอดสริระทุกส่วนของสัตว์เป็น เว้นที่ที่ผมขนเล็บและฟันที่พ้นจากเนื้อและหนังที่กระด้างและแห้งเลือดขังทำส่วนล่างของตับให้เต็มแล้วทำหยดเลือดให้ตกลงทีละน้อยทีละน้อยบนม้ามหัวใจตับและปอดประมาณเต็มฝ่ายมือหนึ่งทำม้ามหัวใจตับและปอดให้ชุ่มอยู่ซึ่งเมื่อไม่ทำม้ามและหัวใจเป็นต้นให้ชุ่มอยู่สัตว์ทั้งหลาย ก็จะกระหายน้ำในเลือดก็กำหนดว่าเลือดย่อมไม่รู้ว่าเราทำน้ามและหัวใจเป็นต้นให้ชุ่มตั้งอยู่ส่วนล่างของตับแม้ที่ส่วนล่างของตับหรือน้ามและหัวใจเป็นต้นก็ไม่รู้ว่าเลือดตั้งอยู่ในเราหรือทำเราให้ชุ่มตั้งอยู่เปรียบเหมือนน้ำที่อยู่ในภาชนะเก่า ทำก้อนดินเป็นต้นข้างล่างให้ชุ่มอยู่ยอมไม่รู้ว่าเราตั้งอยู่ในภาชนะเก่าๆทำก้อนดินเป็นต้นข้างล่างให้ชุ่มอยู่แม้ภาชนะเก่าๆหรือก้อนดินเป็นต้นข้างล่างก็ไม่รู้ว่าน้าตั้งอยู่ในเราหรือทำเราให้ชุ่มตั้งอยู่ฉะนั้นด้วยว่าธรรมะเหล่านี้เว้นจากความคิดคํานึงและการพิจารณาไม่ใช่บุคคล โดยปริเฉตกำหนดว่าเลือดตัดตอนด้วยส่วนแห่งเลือดนี้เป็นการกำหนดเลือดนั้นโดยสภาคส่วนการกำหนดโดยวิสภาคก็เช่นเดียวกับผมนั่นแหละกำหนดเลือดโดยวันนัเป็นต้นมีประการดังกล่าวมาชนนี้เสโทคือเงือ ต่อแต่นั้นไปก็กําหนดว่าโดยวันนะเหงื่อในสรีระมีสีเหมือนน้ำมันงาใสโดยสันฐานมีสันฐานเหมือนโอกาสคือที่เกิดโดยทิศเกิดในทิศทั้งสองโดยโอกาสธรรมดาเหงื่อจะออกอยู่เป็นนิดหามีไม่หากแต่เหงื่อมีอยู่ทุกเมื่อ หรือเพราะเหตุที่เวลาใดสรีระเร่าร้อนเพราะร้อนไฟแสงแดดและฤดูวิปริตเป็นต้นเวลานั้นเหงื่อจะไหลออกจากทุกรูผมและขุมขนเหมือนน้ำในกรมเงาบัวและก้อนบัวที่ตัดไม่เรียบพอยกขึ้นพ้นน้ำฉะนั้นพระโยคหาวจรจึงกำหนดเหงื่อนั้นโดยสันฐาน ด้วยรูผมและขุมขนเหล่านั้นท่านบูรพาจารย์ทั้งหลายกล่าวไว้ว่าอันประโยคาวจรผู้กาหนดเอาเหงื่อเป็นอารมณ์พึงมณสิการใส่ใจเหงือ่อโดยที่เหงือ่อทำรูผมและขุมขนให้เต็มแล้วตั้งอยู่ในเหงื่อนั้นกําหนดว่าเหงื่อย่อมไม่รู้ว่าเราไหลออกจากรูผมและขุมขน แม้รูผมและคุ้งขนก็ไม่รู้ว่าเหงื่อไหลออกจากเราเปรียบเหมือนน้ำที่ไหลออกจากช่องกำาเงาบัวและก้านบัวย่อมไม่รู้ว่าเราไหลออกจากช่องเงาบัวและก้านบัวแม้ช่องเงาบัวและก้านบัวก็ไม่รู้ว่าน้ำไหลออกจากเราฉะนั้นด้วยว่าธรรมะเหล่านั้นเว้นจากความคิดคำหนึ่งและการพิจารณาไม่ใช่บุคคล โดยปริเฉดกำหนดว่าเงือตัดตอนด้วยส่วนแห่งเงือนี้เป็นกำหนดเงือนั้นโดยสภาพส่วนการกำหนดโดยวิสภาคก็เช่นเดียวกับผมนั่นแหละกำหนดเงือโดยวันนาเป็นต้นมีประการดังกล่าวมาชนี้เมโทคือมันข้น ต่อแต่นั้นไปก็กำหนดว่าโดยวันนั้นมันค้นระหว่างหนังและเนื้อในสรีระมีสีเหมือนขมิ้นผาโดยสันฐานมีสันฐานเหมือนโอกาดคือที่เกิดสาหรับคนตัวอ้วนมีสุขมันค้นที่แผ่ไประหว่างหนังและเนื้อมีสันฐานเหมือนภาพเหลือกไม้เก่าย้อมขมิ้นสาหรับคนตัวผอม มันข้นอาศัยเนื้อแข้งเนื้อขาอาศัยสันหลังและเนื้อหลังและเนื้อพื้นท้องรวมไว้มีสันญานเหมือนภาพเหลือกไม้เก่าย้อมขมิ้นที่เขารวบวางไว้โดยทิศเกิดในทิศทั้งสองโดยโอกาสมันข้นสําหรับคนอ้วนแผ่ไปทั่วรีระสําหรับคนผอมอาศัยเนื้อที่แข้งเป็นต้นอยู่ซึ่งก็คือมันเหนียว มิใช่รวมไว้เพื่อเป็นน้ำมันในสมองมิใช่เพื่อเป็นน้ำมันในคําข้าวมิใช่เพื่อตามประทีปคือจุดตะเกียงเพราะเป็นของน่าเกลียดอย่างยิ่งในมันค้นนั้นกำหนดว่ามันค้นย่อมไม่รู้ว่าเราอาศัยทั่วสรีระหรือเนื้อที่แข็งเป็นต้นนั้นตั้งอยู่แม้ทั่วสรีระหรือเนื้อที่แข็งเป็นต้น ก็ไม่รู้ว่ามันค้นอาศัยเราตั้งอยู่เปรียบเหมือนภาพเปลือกไม้เก่าย้อมขมิ้นที่วางพิงกองเนื้อย่อมไม่รู้ว่าประวางพิงกองเนื้อแม้กองเนื้อก็ไม่รู้ว่าภาพเปลือกไม้เก่าย้อมขมิ้นวางพิงเราฉะนั้นด้วยว่าธรรมะเหล่านั้นเว้นจากความคิดคำหนึงและการพิจารณาไม่ใช่บุคคลโดยปริเชต กำหนดว่ามันคน้นเบื้องล่างตัดตอนด้วยเนื้อเบื้องบนตัดตอนด้วยหนังโดยรอบตัดตอนด้วยส่วนแห่งมันคน้นนี้เป็นการกำหนดมันค้นนั้นโดยสภาคส่วนการกำหนดโดยวิสภาคก็เช่นเดียวกับผมนั่นแหลกกำหนดมันค้นโดยวันนาเป็นต้นมีประการดังกล่าวมาฉชนี้ อสุคือน้ำตาต่อแต่นั้นไปก็กำหนดว่าโดยวันนะน้ำตามีสีเหมือนน้ำมันงาใสโดยสันธานมีสันธานเหมือนโอกาสคือที่เกิดโดยทิศเกิดในทิศเบื้องบนโดยโอกาสตั้งอยู่ในเบ้าตาก็น้ำตานั้น หาขังตั้งอยู่ในเบ้าตาทุกเมื่อเหมือนน้ำดีในถุงน้ำดีไม่มีได้อย่างไรเล่าเมื่อใดสัตว์ทั้งหลายเกิดโทมนัดดีใจก็หัวเราะดังลัน่นเกิดโทมนัดเสียใจก็ร้องไห้คร่ำครวญหรือกินอาหารเผ็ดก็เหมือนกันและเมื่อใดตาทั้งสองข้างของสัตว์เหล่านั้นถูกควันละอองและฝุ่นเป็นต้นกระทบเมื่อนั้น น้ำตาเกิดขึ้นเพราะโสมนัสโทมนัสและอาหารเผ็ดเป็นต้นก็จะขังเอ่อออกเต็มเบ้าตาท่านบูรพาจารย์ทั้งหลายกล่าวว่าอันพระโยคาวจอนผู้กำหนดเอาน้ำตาเป็นอารมณ์พึงมานาสิการใส่ใจน้ำตานั้นโดยที่น้ำตาขังเต็มเบ้าตานั่นแหลในน้ำตานั้นกำหนดว่า น้ำตายอมไม่รู้ว่าเราขังอยู่ในเบ้าตาแม้เบ้าตาก็ไม่รู้ว่าน้ำตาขังอยู่ในเราเปรียบเหมือนน้ำที่ขังอยู่ในเมล็ดลูกตาลรุ่นที่ตัดปลายยอมไม่รู้ว่าเราขังอยู่ในเบ้าเมล็ดลูกตาลรุ่นที่ตัดปลายแม้เบ้าเมล็ดลูกตาลรุ่นตัดปลายก็ไม่รู้ว่าน้ำขังอยู่ในเราฉะนนั้นด้วยว่าธรรมะเหล่านั้น เว้นจากความคิดคำานึงและพิจารณาไม่ใช่บุคคลโดยปริเชตกำหนดว่าน้ำตาตัดตอนด้วยส่วนแห่งน้ำตานี้เป็นการกำหนดน้ำตานั้นโดยสภาพส่วนการกำหนดโดยวิสภาคก็เช่นเดียวกับผมนั่นแหลการกำหนดน้ำตาโดยวั น, นะเป็นต้นมีประการดังกล่าวมาชนนี้ วสาคือมันเหลวต่อแต่นั้นไปก็กำหนดว่าโดยวันนะมันเหลวคือมันที่ละลายอยู่ในสรีระมีสีเหมือนน้ำมันที่ราดในข้าวตังโดยสันธานมีสันธานเหมือนโอกาสคือที่เกิดโดยทิศเกิดในทิศทั้งสองโดยโอกาส ตั้งอยู่ที่ฝ่ามือหลังมือฝ่าเท้าหลังเท้าดั้งจมูกหน้าผากและจงอยบ่าแต่มันเหลวนั้นหาละลายตั้งอยู่ในโอกาสเหล่านั้นทุกเมื่อไม่อย่างไรเล่าเมื่อใดประเทศที่เหล่านั้นเกิดไออุ่นเพราะไม่ถูกกันกับความร้อนของไฟแสงแดดฤ ด, ดูและธาตุที่ไม่ถูกกันเมื่อนั้นมันเหลว จะละลายซ่านไปในประเทศที่เหล่านั้นเหมือนน้ำค้างในบ่อน้ำที่มีน้ำใสในมันเหลวกำหนดว่ามันเหลวย่อมไม่รู้ว่าเราท่วมอยู่ตลอดฝ่ามือเป็นต้นแม้ฝ่ามือเป็นต้นก็ไม่รู้ว่ามันเหลวท่วมเราอยู่เปรียบเหมือนน้าค้างที่ท่วมบ่อน้ำอยู่ย่อมไม่รู้ว่าเราท่วมบ่อน้ำ แม้บ่อน้ำก็ไม่รู้ว่าน้าค้างท่วมเราอยู่ฉะนั้นด้วยว่าธรรมะเหล่านั้นเว้นจากความคิดคำานึงและการพิจารณาไม่ใช่บุคคลโดยปริเฉดกำหนดว่ามันเหลวตัดตอนด้วยส่วนแห่งมันเหลวนี้เป็นการกำหนดมันเหลวนั้นโดยสภาคส่วนการกำหนดโดยวิสภาพก็เช่นเดียวกับผมนั่นแล กำหนดมันเหลวโดวยวันนะเป็นต้นมีประการดังกล่าวมาชนี้เคโลคือน้ำลายต่อต่นนั้นไปก็กําหนดว่าโดยวันนาะน้ำลายภายในปากในสรีระสีขาวสีเหมือนฟองน้ำโดยสันฐานมีสันฐานเหมือนโอกาส อาจารย์พวกหนึ่งกล่าวว่ามีสันฐานเหมือนฟองน้ำทะเลดังนี้ก็มีโดยทิศเกิดในทิศเบื้องบนโดยโอกาสไหลลงจากแก้มสองข้างตั้งอยู่ที่ลิ้นแต่น้ำลายนั้นหาสะสมตั้งอยู่ที่แก้มนั้นทุกเมื่อเป็นไปไม่เป็นอย่างไรเล่าเมื่อใดสัตว์ทั้งหลายเห็นหรือระลึกถึงอาหารเช่นนั้น หรือว่างของร้อนของรสขมเผ็ดเค็มและเปรี้ยวบางอย่างลงในปากและเมื่อใดหัวใจของสัตว์เหล่านั้นไม่สบายก็เกิดหิวขึ้นในบางครั้งเมื่อนั้นน้ำลายจะเกิดไหลลงจากแก้มทั้งสองข้างตั้งอยู่ที่ลิ้นแต่ที่ปลายลิ้นน้ำลายนั้นจะบางที่โคนลิ้นจะหนาก็เข้าเมาเข้าสาร หรือของเคี้ยวอื่นๆบางอย่างที่เขาใส่ลงในปากจะยังไม่ละลายไปเหมือนน้ำในบอ่อที่ขุดบนทรายริมแม่น้ำเมื่อนั้น น, น, น้ำลายจะสามารถทําของเคี้ยวให้เปียกชุ่มในน้ำลายนั้นกําหนดว่าน้ำลายยอมไม่รู้ว่าเราไหลลงจากแก้มทั้งสองข้างตั้งอยู่ที่พื้นลิ้นแม้พื้นลิ้น ก็ไม่รู้ว่าน้ำลายไหลลงจากแก้มทั้งสองข้างตั้งอยู่ในเราเปรียบเหมือนน้ำที่ตั้งอยู่ที่พื้นบ่อซึ่งเขาขุดบนทรายริมแม่น้ำย่อมไม่รู้ว่าเราตั้งอยู่ที่พื้นบ่อแม้พื้นบ่อก็ไม่รู้ว่าน้ำตั้งอยู่ในเราฉะนั้นด้วยว่าธรรมะเหล่านี้เว้นจากความคิดคำหนึงและการพิจารณาไม่ใช่บุคคล โดยปริเฉดกำหนดว่าน้ำลายตัดตอนด้วยส่วนแห่งน้ำลายนี้เป็นการกำหนดน้ำลายนั้นโดยสภาคส่วนการกำหนดโดยวิสภาคก็เช่นเดียวกับผมนั่นแหลกำหนดน้ำลายเดย ว, วั น, นะเป็นต้นมีประการดังกล่าวมาชนี้สิงคานิกาคือน้ำโมก ตั้งแต่นั้นไปก็กำหนดว่าโดยวันนะน้ำมูกสีขาวเหมือนสีเยื่อตารุ่นโดยสันฐานมีสันธานเหมือนโอกาสคือที่เกิดอาจารย์พวกหนึ่งกล่าวว่ามีสันฐานเหมืนนอนหนอหวายที่เข้าใส่ติดต่อกัน ค, คืบเข้าไปในโพรงจมูกดังนี้ก็มีโดยทิศเกิดในทิศเบื้องบนโดยโอกาสคขังอยู่เต็มจมูก แต่ว่าน้ำมูกนั้นหาสะสมขังอยู่ในโพรงจมูกนั้นทุกเมื่อไปไม่เป็นอย่างไรเล่าบุรุษห่อนมส้มไว้ในใบบัวเอาน้ำเจาะใบบัวตอนล่างที่นั้นก้อนนมส้มก็จะไหลออกจากช่องนั้นตกลงไปภายนอกชั้นใดเมื่อใดสัตว์ทั้งหลายร้องไห้หรือเกิดธาตุกำเริบโดยอาหารและฤดูที่ไม่ถูกกันเมื่อนั้น มันในสมองที่กลายเป็นเสมหะเสียไหลออกจากภายในศีรษะลงทางช่องบนเพดานปากขังอยู่เต็มจมูกฉันนั้นเหมือนกันในน้ำมูกนั้นกําหนดว่าน้ำมูกย่อมไม่รู้ว่าเราตั้งอยู่ในโพรงจมูกแม้โพรงจมูกก็ไม่รู้ว่าน้ำมูกขังอยู่ในเราเปรียบเหมือนนมส้มเสียที่เขาใส่ไว้ในหอยคง ย่อมไม่รู้ว่าเราอยู่ในหอยโคงแม้หอยโคงก็ไม่รู้ว่านมส้มเสียอยู่ในเราฉะนั้นด้วยว่าธรรมะเหล่านั้นเว้นจากความคิดคำนึงและการพิจารณาไม่ใช่บุคคลโดยปริเชตกำหนดว่าน้ำมูกตัดตอนด้วยส่วนแห่งน้ำมูกนี้เป็นการกำหนดน้ำมูกนั้นโดยสภาก ส่วนการกําหนดโดยวิสภาคก็เช่นเดียวกับผมนั่นแหลกําหนดน้ํามูกโดยวันนาเป็นต้นมีประการดังกล่าวมาชนนี้ลัศิกาไขข้อต่อแต่นั้นไปก็กําหนดว่าซากศพที่ลื่นเป็นมันในภายในที่ต่อแห่งสรีระภายในสรีระชื่อไขข้อ โดยวันณนะไขรข้อนั้นมีสีมันยางต้นกันนิกาโดยสันธานมีสันฐานเหมือนโอกาสคือที่เกิดโดยทิศเกิดในทิศทั้งสองโดยโอกาสให้สาเร็จกิจคือหน้าที่หยอดน้ำมันที่ต่อแห่งกระดูกทั้งหลายตั้งอยู่ภายในที่ต่อหนึ่งแห่งไขรข้อนั้นของผู้ใดมีน้อย ผู้นั้นลุกขึ้นนั่งลงก้าวไปข้างหน้าถอยมาข้างหลังงอแขนเหยียดแขนกระดูกทั้งหลายก็จะลั่นกุ ก, กับเดินไปก็เหมือนทำเสียงดีดนิ้วเดินทางไกลไปได้แม้เพียงโยศหนึ่งสองโยดวาโยาธาตก็กําเริบคือเป็นลมตัวก็ลาบากส่วนใครข้อของผู้ใดมีมากผู้นั้นกระดูกทั้งหลายก็ไม่ลั่นกุกกับ ในขณะลุกขึ้นและนั่งลงเป็นต้นแม้เดินทาง น, น, นานๆวายโยธาตก็ไม่กำเริบตัวก็ไม่ลำบากในไขข้อนั้นกำหนดว่าไขาข้อย่อมไม่รู้ว่าเราหยอดน้ำมันที่ต่อหนึ่งร้อยแปดสิบแห่งอยู่แม้ที่ต่อหนึ่งร้อยแปดสิบแห่งก็ไม่รู้ว่าไขาข้อยอดน้ำมันเราอยู่เปรียบเหมือนน้ำมันหยอดเปลารถย่อมไม่รู้ว่า เราหยอดน้ำมันเผารถอยู่แม้เผารถก็ไม่รู้ว่าน้ำมันหยอดน้ำมันเราอยู่ฉะนั้นด้วยว่าธรรมะเหล่านั้นเว้นจากความคิดคำนึงและการพิจารณาไม่ใช่บุคคลโดยป ร, ริเชตกำหนดว่าไข่ข้อตัดตอนด้วยส่วนแห่งไข่ข้อนี้เป็นการกำหนดไข่ข้อนั้นโดยสภาคส่วนการกำหนดโดยวิสภาค ก็เช่นเดียวกับผมนั่นแหละกำหนดไขข้อโดยวันนะเป็นต้นมีประการดังกล่าวมาชนี้มุดต่างคือมูดหรือปัสสาวะต่อแต่นั้นไปกำหนดว่าโดยวันนะมูดภายในสรีระมีสีเหมือนน้ำด่างทั่วทอง โดยสันธานมีสันธานเหมือนน้ำที่อยู่ภายในหม้อน้ำที่เต็มนาซึ่งเขาวางความปากโดยทิศเกิดในทิศเบื้องล่างโดยโอกาสตั้งอยู่ในกระเพาะปัสสวะถุงปัสสวะท่านเรียกชื่อว่ากระเพาะปัสสวะซึ่งเปรียบเหมือนรถน้ำโสโครกคําว่ารถน้าโสโครในที่นี้รถสะกดเรื่อรอเรือสอเสือ คาเดียวกับรสชาตินะครับซึ่งเปรียบเหมือนรถน้ำโสโครกย่อมเข้าไปในหม้อซึ่งที่ไม่มีปากซึ่งเข้าวางไว้ในบอ่อโสโครกทางเข้าไปของรถน้ำโสโครกนั้นไม่ปรากฏฉันใดมูดเข้าไปทางสรีระแต่ทางเข้าไปของมูดนั้นไม่ปรากฏส่วนทางออกเท่านั้นปรากฏอยู่ในมูดนั้นกําหนดว่า มูดย่อมไม่รู้ว่าเราตั้งอยู่ในกระเพาะปัสสาวะแม้กระเพาะปัสสาวะก็ไม่รู้ว่ามูดตั้งอยู่ในเราเปลือกมันรดน้ำโสโครกในหม้อซึง้งที่ไม่มีปากซึ่งเข้าวางไว้ในบ่อน้ำโสโครกย่อมไม่รู้ว่าเราอยู่ในหม้อซึ้งที่ไม่มีปากแม้หม้อซึ้งก็ไม่รู้ว่ารดน้ำโสโครกตั้งอยู่ในเราฉะนั้น ด้วยว่าธรรมะเหล่านี้เว้นจากความคิดคำนึงและการพิจารณาไม่ใช่บุคคลโดยปริเชตกำหนดว่ามูด ต, ตัดตอนด้วยภายในกระเพาะปัสสวะและด้วยส่วนแห่งมูดนี้เป็นการกำหนดมูดนั้นโดยสภาคส่วนการกำหนดโดยวิสภาคก็เช่นเดียวกับผมนั่นแหลกำหนดมูดโดยวันนะเป็นต้นมีประการดังกล่าวมาชนี ประโยคาวจรกำหนดทวัติงสาการนี้โดยวันนะเป็นต้นด้วยประการชนีเพราะอาศัยการประกอบหนึ่งเนืองซึ่งภาวนาการเจริญทวัดติงสาการนั้นๆทวัติงสาการมีผมเป็นต้นก็ย่อมจะคล่องแคล่วปรากฏชัดโกรธธาตุเป็นส่วนๆแก่พระโยคาวจรนั้น ผู้กำหนดทวัตติงส า, ารนี้โดยวั น, นะเป็นต้นด้วยประการชนิ้ตั้งแต่นั้นไปเมื่อบุรุษมีดวงตาตรวจพวงมาลัยแห่งดอกไม้ทั้งหลายซึ่งมีสาสบสองสีอันร้อยไว้ด้วยไ ด, ได้เส้นเดียวกันดอกไม้ทุกดอกก็ยอมเป็นอันปรากฏไม่ก่อนไม่หลังฉันใดเมื่อประโยคาว จ, จรสำรวจกายนี้ด้วยสติว่า ในกายนี้มีเกษาคือผมเป็นต้นธรรมะเหล่านั้นทั้งหมดย่อมเป็นอันปรากฏไม่ก่อนไม่หลังฉันนั้นเหมือนกันสติที่ตั้งขึ้นในผมทั้งหลายที่นึกถึงย่อมจะเป็นไปจนถึงมูดตั้งแต่นั้นไปมนุษย์และเดรัจฉานเป็นต้นที่เดินไปมาจะละอาการว่าสัต ปรากฏชัดแต่กองแห่งโกรธธาตุเป็นส่วนๆเท่านั้นแก่ประโยชขาวาจร น, นั้นและน้ําและโภชนะเป็นต้นที่สัตว์เหล่านั้นกลืนกินก็จะปรากฏชัดเหมือนใส่ลงไปในกองโกรธธาตุในข้อนี้ผู้ทักท้วงกล่าวว่าเมื่อเป็นเช่นนั้นประโยชขาวาจรผู้นี้จะพึงทําอะไรต่อแต่นั้นไปขอกล่าวชี้แจงดังนี้ นิมิตนั้นนั่นแหละอันพระโยคาวจรพึงเสพพึงเจริญพึงทำให้มากพึงกำหนดให้เป็นอันกำหนดด้วยดีถามว่าก็พระโยคาวจรนี้เสพเจริญนิมิตนั้นทำให้มากกำหนดให้เป็นอันกำหนดด้วยดีอย่างไรตอบว่าความจริงพระโยคาวจรนี้เสพนิมิตทิทวัตติงสาการมีผมเป็นต้น ปรากฏเป็นกวทธาวนส่วนนั้นย่อมผูกคบเข้าไปใกล้ด้วยสติให้ใจยึดห้องคือสติหรือทำสติที่ได้ในนิมิตนั้นให้งอกงามท่านเรียกว่าเจริญนิมิตนั้นข้อว่าทาให้มากได้แก่ทำนิมิตนั้นบ่อยๆให้ประกอบด้วยสติอันวิตกและวิจารเข้ากระทบแล้ว ข้อว่ากำหนดให้เป็นอันกำหนดด้วยดีได้แก่นิมิตเป็นอันกำหนดด้วยดีไม่หายไปอีกโดยประการใดประโยคหาวปรจรย่อมกำหนดเข้าไปรองรับเข้าไปผูกนิมิตนั้นไว้ด้วยสติโดยประการนั้นอีกอย่างหนึ่งมนสิการโศนความฉลาดในมนสิการอันใดที่กล่าวไว้แต่ก่อนสิบข้ออย่างนี้คือ โดยลำดับโดยไม่เร่งนักโดยไม่ช้านักโดยป้องกันความฟุ้งซ่านโดยล่วงบัญญัติเสียโดยปล่อยลำดับโดยลักษณะและข้อ8ปดเก้าสิคือสูตรทั้งสามโดยสูตรทั้งสามคือไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาในมณสิการโศนนั้น พึงทราบว่าประโยคนขาวจรมนาศิการใส่ใจโดยลำดับชื่อว่าเสพมนาศิการโดยไม่เร่งนักและโดยไม่ช้านักชื่อว่าเจริญมนาศิการโดยป้องกันความฟุ้งซ่านชื่อว่าทำให้มากมนาศิการโดยล่วงบัญญัติเป็นต้นชื่อว่ากำหนดให้เป็นอันกำหนดด้วยดี ในข้อนี้ผู้ทักท้วงกล่าวว่าพระโยคาวจรนี้มณนสิการธรรมะเหล่านั้นโดยมนาสิการโกรศลมีโดยลำดับเป็นต้นอย่างไรขอกล่าวชี้แจงดังนี้ความจริงพระโยคาวจรนี้รันมนาสิการผมแล้วลำดับจากนั้นก็มณนสิกาขนไม่มนาสิกาเล็บในอาการทุกอย่างก็ในยะนี้เพราะเหตุไร เพราะว่าประโยคาวจรเมื่อมานาสิการผิดลำดับก็มีจิตลำบากก็ไปจากวัติงสาการพระภาวนาเจริญภาวนาไม่สำเร็จเพราะไม่ได้อัศัยทัความสดชื่นที่ควรได้โดยภาวนาสมบัติเปรียบเหมือนบุรุษผู้ไม่ฉลาดขึ้นบันไดสาสองขั้นผิดสำรับก็ลำบากกายย่อมตกบันไดนั้นขึ้นบันไดไม่สาเร็จฉะนั้น อันหนึ่งพระโยคาวจรแม้มนาสิการโดยลำดับก็มนาสิการไม่เร็วเกินไปว่าเกสาโลมาเพราะว่าประโยคาวจรเมื่อมนาสิการเร็วเกินไปก็ไม่อาจกำหนดสีและสันฐานเป็นต้นที่พ้นจากทวัติงสาการแต่นั้นก็จะไม่ฉลาดในทวัติงสาการและกรรมาฐานก็จะเสื่อมเสียไป เปรียบเงินบูรุษกำลังเดินทางไกลไม่อาจากำหนดทางเรียบทางครุกระต้นไม้ที่ดอนที่ลุ่มทางสองแพร่งเป็นต้นที่พ้นไปจากหนทางแต่นั้นก็จะไม่ฉลาดในหนทางการเดินทางไกลก็จะสิ้นไปฉะนั้นอันหนึ่งประโยคหาว จ, จรมนาสิกานโดยไม่เร่งนักฉันใด ก็มานสิการแม้โดยไม่ชักช้านักฉันนั้นเพราะว่าพระโยคาว จ, จรเมื่อมนาสิกาชักช้านักก็จะไม่ถึงความสาเร็จทวัติงสาการภาวนาแต่จะถึงความย่อยยับด้วยการมาวิตกเป็นต้นในระหว่างเพราะขาดภาวนาเปรียบเหมือนบุรุษเดินทางไกลถูกหน่วงเหนียวอยู่ที่ต้นไม้ภูเขาและหนองน้าเป็นต้นในระหว่างทาง ก็ไม่ถึงถิ่นที่ประสงค์แต่จะถึงความย่อยยับด้วยสิงโตและเสือเป็นต้นในระหว่างนั่นเองฉะนั้นอันหนึ่งพระโยคาวจรแม้มนาสิการโดยไม่ชักช้านักก็มนาสิการแม้โดยป้องกันความฟุ้งซ่านเสียพระโยคาวจรย่อมมนาสิการโดยประการที่จะไม่ฟุ้งซ่านเพราะงานอื่นๆ มีงานนวกรรมการก่อสร้างเป็นต้นพระโยคาวจรผู้มีจิตฟุ้งซ่านไปภายนอกมีความตรึกแห่งจิตไม่ตั้งมั่นในทวารติงสาการมีผมเป็นต้นก็ไม่ถึงความสำเร็จแห่งภาวนาจะถึงความย่อยยับเสียในระหว่างนั่นเองเหมือนสหายของพระโพธิสัตย์ย่อยยับเสียในการเดินทางไปกรุงตักกศิลา ส่วนพระโยคาวะจอนผู้มีจิตไม่ฟุ้งซ่านมีความตรึกแห่งจิตตั้งมั่นในทวัตติงสาการมีผมเป็นต้นก็ถึงความสําเร็จแห่งภาวนาเหมือนพระพัวที่สัตว์ถึงความสําเร็จแห่งราชสมบัติในกรุงตักกัิลาธรรมะเหล่านั้นย่อมปรากฏโดยอสุภะโดยสีหรือโดยความว่างเปล่าด้วยอํานาจบารมีจริยา และความน้อมใจเธอแกพระโยคาวจร น, นั้นผู้มณสิการโดยป้องกันความฟุ้งซ่านด้วยประการชะนี้อันหนึ่งพระโยคาวจรมนสิการธรรมะเหล่านั้นโดยล่วงบัญญัติข้อว่าโดยล่วงบัญญัติได้แก่มนสิการล่วงเลยสละเสียซึ่งโวหารเป็นต้นอย่างนี้ว่า เกษาโลมาโดยเป็นอสุภะเป็นต้นตามที่ปรากฏแล้วมนศิการอย่างไรเปรียบเหมือนมนุษย์ทั้งหลายทำเครื่องหมายหักกิ่งไม้เป็นต้นเพื่อจําสถานที่ที่มีน้ำไว้เพราะเป็นภูมิภาคที่ไม่คุ้นเคยไปตามแนวเครื่องหมายนั้นย่อมบริโภคน้ำได้แต่เมื่อใดคุ้นเคยภูมิภาคแล้ว ก็ปล่อยไม่สนใจเครื่องหมายนั้นเข้าไปยังสถานที่มีน้ําบริโภคน้ําได้ฉันใดประโยคาวาจอนี้ก็ฉันนั้นเหมือนกันมนาสิการธรรมะเหล่านั้นโดยโวหานั้นๆมีเกสาโลมาเป็นต้นไปก่อนเมื่อธรรมะเหล่านั้นปรากฏชัดด้วยอารมณ์มีอสุภะเป็นต้นอย่างใดอย่างหนึ่งล่วงเลยปล่อยโวหานั้น มนาศิกาโดยอารมมีอสุภะเป็นต้นแลในข้อนั้นผู้ธทักทวงกล่าวว่าธรรมะเหล่านั้นปรากฏโดยความเป็นอสุภะเป็นต้นแก่ประโยคาวจร น, นั้นอย่างไรโดยวันณาอย่างไรหรือโดยความเป็นของว่างเปล่าอย่างไรอนหนึ่งประโยคาวจรมนาศิการธรรมะเหล่านี้โดยอสุภะอย่างไร โดยวันนะอย่างไรหรือโดยความว่างเปล่าอย่างไรก่อนอื่นผมทั้งหลายย่อมปรากฏแก่พระโยคาวจร น, นั้นโดยอสุภะเป็นห้าส่วนคือวันนะสีสันฐานสวดทรงคันทะคือกลิน่นอาสยะที่อยู่และโอกาสคือที่เกิด ประโยคาววจรนี้ก็มณสิการธรรมะเหล่านี้เป็นห้าส่วนนั่นแหลโดยอสุภอย่างไรเล่าธรรมดาผมเหล่านั้นโดยวันณนะไม่งามเป็นของปฏิกูลน่าเกลียดอย่างยิ่งจึงอย่างนั้นมนุษย์ทั้งหลายเห็นเปลือกไม้หรือเส้นได้มีสีเหมือนผมซึ่งตกลงไปในน้ำข้าวเวลากลางวันย่อมทิ้งหรือเกลียดน้ำข้าว แม้เป็นของชอบใจด้วยสำคัญว่าผมแม้โดยสันธานก็ไม่งามจริงอย่างนั้นมนุษย์ทั้งหลายกระทบเลือกไม้หรือเส้นได้ซึ่งมีสันธานเหมือนผมซึ่งตกลงไปในน้ําข้าวเวลากลางคืนย่อมทิ้งหรือเกลียดน้ําข้าวแม้เป็นของชอบใจด้วยสาคัญว่าผม แม้โดยกลิ่นก็ไม่งามจริงอย่างนั้นผมทั้งหลายที่เว้นการตกแต่งมีฐาน้ำมันติดดอกไม้รมควันเป็นต้นกลิ่นน่ารังเกียจอย่างยิ่งคนสูดกลิ่นผมที่ยวนใส่ในไฟต้องปิดจมูกเบือนหน้านี้แม้โดยที่อยู่ก็ไม่งามจริงอย่างนั้นผมเหล่านั้นสะสมแล้ว ก็เพิ่มผุนภัยบูนด้วยการไหลมาข้างกันของดีเสมหะน้ำเหลืองและเลือดเหมือนต้นกะเพราเป็นต้นในกองขยะด้วยการไหลมาข้างกันของสิ่งไม่สะอาดของมนุษย์นาน า, นาชนิดแม้โดยโอกาสก็ไม่งามจริงอย่างนั้นผมเหล่านั้นเกิดในหนังอ่อนที่คลุมศีรษะของมนุษย์ทั้งหลาย เหนือยอดกองซากศพสามอ็ดมีขนเป็นต้นซึ่งน่ากเกลียดอย่างยิ่งเหมือนต้นกระเพราเป็นต้นในกองขยะในซากศพสามเอ็ดมีขนเป็นต้นก็ในยะนี้ประโยคขาวจนนี้บรณสิการธรรมะเหล่านี้ที่ปรากฏโดยอสุพะโดยความเป็นของไม่งามด้วยประการอย่างนี้ก่อน ถ้าหากว่าธรรมะเหล่านี้ปรากฏแก่พระโยคาวะจรนั้นโดยวันณะเมื่อเป็นดังนั้นผมทั้งหลายก็ปรากฏโดยเป็นนิลกสินขนฟันก็อย่างนั้นย่อมปรากฏโดยเป็นโอทาตกสินในทวะติงสาการทุกอย่างก็ในยะนี้พระโยคาวจรนี้ย่อมมานสิการธรรมะเหล่านี้ โดยเป็นกสิณ น, นั้นนั้นนั่นแหลธรรมะที่ปรากฏโดยวันนะอย่างนี้พระโยคาวจรก็มณสิกาโดยวันนะก็ถ้าหากว่าธรรมะเหล่านั้นปรากฏแก่พระโยคาวจรนั้นโดยความเป็นของว่างเปล่าเมื่อเป็นดังนั้นผมทั้งหลายยอมปรากฏโดยเป็นการประชุมวินิพระโขคัรูปที่มีโอชะครบแปด โดยการกำหนดแยกออกจากกลุ่มก้อนขนเป็นต้นก็ปรากฏเหมือนอย่างที่ผมปรากฏพระโยคาวจอนนี้ย่อมมานาสิการธรรมะเหล่านั้นอย่างนั้นเหมือนกันธรรมะที่ปรากฏโดยความเป็นของว่างเปล่าอย่างนี้ก็มานาสิการโดยความเป็นของว่างเปล่าประโยคาวจอนนี้มนาสิการอยู่อย่างนี้ชื่อว่า มนาสิการธรรมะเหล่านั้นโดยลําดับข้อว่าโดยปล่อยลําดับอธิบายว่าประโยคาวจรปล่อยผมที่ปรากฏโดยเป็นอสุภะเป็นต้นอย่างใดอย่างหนึ่งและมนาสิการขนเป็นผู้เพ่งเฉยอยู่ในผมทั้งหลายแล้วมนาสิการขนทั้งหลายเมื่อตั้งมนาสิการในขนทั้งหลายก็ชื่อว่าปล่อยผม เรียบเหมือนปลิงเพ่งเฉย อ, อยู่ที่ประเทศอันจับไว้ด้วยหางปล่อยประเทศอื่นทางจะงอยปากเมื่อจับประเทศนั้นไว้ก็ชื่อว่าปล่อยประเทศนอกนี้ฉะนั้นในทวัติงสาการทุกอย่างก็ในยะนี้ก็ธรรมะเหล่านั้นเมื่อปรากฏแก่พระโยคาวจรนั้นผู้มณสิการโดยปล่อยลำดับอย่างนี้ย่อมปรากฏไม่เหลือเลย ทั้งปรากฏว่าปรากฏชัดกว่าเมื่อเป็นดังนั้นธรรมะเหล่าใดปรากฏโดยความเป็นของไม่งามแก่พระโยคาวจรใดทั้งปรากฏว่าปรากฏชัดกว่าเปรียบเหมือนลิงถูกพราไล่ตะเพิดไปในดงตาลสามสิบสองนี้ไม่หยุดอยู่แม้แต่ต้นเดียวโลดโผไปเมื่อใดกลับก็ล้าเมื่อนั้น จึงหยุดอิงตาลอ่อนอันสะอาดที่หุ้มห่อด้วยใบตาลทึบต้นหนึ่งเท่านั้นฉันใดลิงคือจิตของพระโยคาวจร น, นั้นก็ฉันนั้นเหมือนกันอันพระโยคาวจร น, นั้นนั่นแหละไล่ตะเพิดไปอยู่ในกายนี้ที่มีสาสองโกฏธาตุคือส่วนไม่หยุดอยู่แม้แต่ส่วนหนึ่งโลดไปเมื่อใดกลับ เพราะไม่มีความปรารถนาในอันแล่นไปสู่อารมณ์เป็นอันมากก็เหน็ดเหนื่อยคือล้าเมื่อนั้นธรรมะใดของพระโยคาวจรนั้นคลองคล่าวหรือเหมาะแก่จริตกว่าในส่วนส2มสองมีผมเป็นต้นหรือเป็นผู้บำเพ็ญบารมีไว้ก่อนในธรรมะใดก็อิงธรรมะนั้นหยุดอยู่โดยอุปจารสมาธิเมื่อเป็นดังนั้น พระโยคาวจรทำนิมิตนั้นนั่นแหละให้เป็นอันถูกความตรึกจรต ถ, ถูกวิตกจรด์บ่อยๆก็จะทําปฐมฌานให้เกิดขึ้นตามลําดับตั้งอยู่ในปฐมฌานนั้นแล้วเริ่มวิปัสสนาย่อมบรรลุอริยภูมิได้อันหนึ่งธรรมเหล่านั้นย่อมปรากฏโดยวันณะแก่พระโยคาวจรได้ เปรียบเหมือนลิงถูกพราไล่ตะเพิดไปในดงตาลสาสองนั้นไม่หยุดอยู่แม้แต่ต้นเดียวเมื่อใดกลับก็เหนื่อยลา้าเมื่อนั้นจึงหยุดอิงตาลอ่อนอันสะอาดที่หุ้มห่อด้วยใบตาลทึบต้นหนึ่งเท่านั้นฉันใดลิงคือจิตของพระโยคาวจอ น, นั้นก็ฉันนั้นเหมือนกันอันพระโยคาวจอนนั้นนั่นแหละไล่ตะเพิดไปอยู่ในกายนี้ที่มีสาสิสองส่วน ไม่หยุดอยู่แม้แต่ส่วนหนึ่งโลดไปเมื่อใดกลับเพราะไม่มีความปรารถนาแล่นไปในอารมณ์เป็นอันมากก็เหนื่อยลา้าเมื่อนั้นธรรมะใดของพระโยคาวจรนั้นคล่องแคล้วหรือเหมาะแก่จริตกว่าในส2สบสองส่วนมีผมเป็นต้นหรือเป็นผู้บำเพ็ญบารมีมาแตก่อนในธรรมะใดก็อิงธรรมะนั้นหยุดอยู่โดยอุปจารสมาธิ เมื่อเป็นดังนั้นประโยคาวจรทำนิมิตนั้นนั่นแหลให้เป็นอันถูกความตรึกจรดถูกวิตกจรดบ่อยก็จะทำให้เกิดรูปาวจรชานแม้ทั้งห้าโดยนิลกษกสินหรือโดยปิดตะกรสินตามลำดับและตั้งอยู่ในรูปาวจรชานนั้นอย่างใดอย่างหนึ่งเริ่มเจริญวิปัสสนาก็จะบรรลุอริยภูมิได้ อันหนึ่งธรรมะเหล่านั้นปรากฏด้วยความเป็นของว่างเปล่าแก่ประโยคหาวจรใดประโยคหาวจรนั้นย่อมมณสิการโดยลักษณะเมื่อมณสิการโดยลักษณะย่อมบรรลุอุปจาระฌานโดยกำหนดธาตุในธรรมะเหล่านั้นเมื่อเป็นดังนั้นเมื่อมณาสาิการก็มณสิการธรรมะเหล่านั้นโดยสูตรทั้งสาม คือไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตานี้เป็นวิปัสสนาในยะของพระโยคาวจร น, นั้นพระโยคาวจรเริ่มเจริญวิปัสสนานี้และปฏิบัติไปตามลำดับก็ยอมบรรลุอริยภูมิแลก็คำใดข้าพเจ้ากล่าวไว้ว่าก็พระโยคาวจร น, นี้ มนาศิการธรรมะเหล่านี้อย่างไรคำนั้นก็เป็นอันข้าพเจ้าพยากรณ์แล้วด้วยกถามีประมาณเพียงเท่านี้อันหนึ่งเล่าคำใดข้าพเจ้ากล่าวไว้ว่าพึงทราบการพรนานาปาถานั้นอย่างนี้โดยภาวนาความของคำนั้นก็เป็นอันข้าพเจ้าประกาศแล้วแหลปกินกะไนยะ นัยยะเบตเตเลตบัดนี้พึงทราบปกิิญากาในยะนี้เพื่อความชำนาญและความฉลาดในทวัติงสาการนี้ว่าพึงทราบการวินิจฉัยทวัติงสาการโดยนิมิตโดยลักษณะโดยธาตุโดยความว่างเปล่าและโดยขันเป็นต้นบรรดาข้อปกิิญากานั้นข้อว่าโดยนิมิต ความว่าในทวติงสาการนี้มีประการดังกล่าวมาแล้วนี้มีนิมิตหร160ซึ่งพระโยคาวจรสามารถกำหนดทวติงสาการได้โดยโกธาตุคือเป็นส่วนส่วนคือผมมีนิมิตหคือวันนะสีสันฐานสวดส่งทิสาทิตโอกาสที่เกิด ปริเชตตัดตอนในขนเป็นต้นก็อย่างนี้ข้อว่าโดยลักษณะความว่าในทวติงสาการมีลักษณะสิบสองซึ่งประโยคขาวาจรสามารถธ ร, รมนาสิกานทวติงสาการได้โดยลักษณะคือผมมีสี่ลักษณะคือลักษณะแค่นลักษณะเอิบอาบลักษณะร้อนลักษณะพัด ในขนเป็นต้นก็อย่างนี้ข้อว่าโดยธาตุความว่าในทวัดติงสาการในธาตุทั้งหลายที่พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสในบาลีนี้ว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายบุรุษบุคคลนี้มีธาตุหกดังนี้ธาตุมีหนึ่งร้อยี่สิบแปดซึ่งพระโยคาวาจร สามารถกำหนดทวัดติงสาการได้โดยาธาตุคือในผมมีาธาตุสีคือส่วนที่แข็งเป็นปัตทวีทาธาตุคือาธาตุดินส่วนที่เอิบอาบเป็นอาปโปาธาตุคือาธาตุน้ำส่วนที่ร้อนเป็นเตโชาธาตุคือาธาตุไฟส่วนที่พัดเป็นวายโยาธาตุคือาธาตุลมในขนเป็นต้นก็อย่างนี้ พ่อว่าโดยความว่างเปล่าความว่าในทวัดติงสาการมีสุญญาตา128ซึ่งพระโยคาวจรสามารถพิจารณาเห็นทวัดติงสาการโดยความว่างเปล่าคือในผมก่อนมีสุญญาตาสีคือปัทวีธาตว่างจากอาโปธาตเป็นต้นอาโปธาตเป็นต้นก็อย่างนั้นว่างจากปัทวีธาตเป็นต้น ในขนเป็นต้นก็อย่างนี้ข้อว่าโดยขันเป็นต้นความว่าในทวติงสาการเมื่อผมเป็นต้นท่านสงเคราะห์โดยขันเป็นต้นพึงทราบวินิจฉัยโดยนัยะเป็นต้นอย่างนี้ว่าผมทั้งหลายมีขันเท่าไรมีอายตนะเท่าไรมีท่าเท่าไรมีสัจจะเท่าไร มีสติปัญฐานเท่าไหร่กายย่อมปรากฏประหนึ่งกองหญ้าและไม้แก่พระโยคาวจอนนั้นผู้พิจารณาเห็นอย่างนี้เหมือนอย่างท่านกล่าวไว้ว่ากายนี้มีสภาพว่างเปล่าเปรียบเสมอด้วยหญ้าและไม้อันหนึ่งเล่าความยินดีนั้นใดอันมิใช่ของมนุษย์ที่ท่านกล่าวไว้อย่างนี้ว่า ท่านผู้เข้าไปอย่างเรือนว่างมีจิตสงบคงที่พิจารณาเห็นธรรมะโดยชอบย่อมมีความยินดีที่ไม่ใช่ของมนุษย์ความยินดีนั้นอยู่ไม่ไกลเลยต่อแต่นั้นอมะตะคือปีติและปราโมทนั้นใดที่สำเร็จมาแต่วิปัสสนาที่พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้อย่างนี้ว่าพิจารณาเห็นความเกิดและดับ แห่งขันทั้งหลายโดยประการใดๆปีติและปราโมทอันอมตะย่อมได้แก่ผู้พิจารณาเห็นความเกิดดับนั้นโดยประการนั้นๆพระโยคาวจรเมื่อสวยปีติและปราโมทอันเป็นอมตะนั้นไม่นานเลยก็จะทำให้แจ้งอมตะคือพระนิพพานที่ไม่แก่ไม่ตายอันอริยชนเสพแล้วแหล จบคาถาพันนาทวัติงสาการแห่งอัตถกถาขุทธกะปาทะชื่อปรมัตถโชติกา